เงินพรท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งเพื่อ ม, มาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านใดที่มีความสนใจอยากจะมาเข้าร่วมก็ขอเชิญเข้ามาได้เช่นเคยเราจะไปที่เด็กด ก, ก่อนเพื่อจะได้ให้เขาได้เข้านอนกัน เด็กคนแรกก็คือพีเคเด็กพีเคทำนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์นมัส ก, การค่ะพระอาจารย์วันละนั่งได้ประมาณกี่นาที2นาทีสองนาทีค่ะพระอาจารย์ทำไมมากเหลือเกินนะคนหนึ่งก็นั่งลงสามสิบนาทีเราแค่สองนาทีอ่ะมากไหมบางวันก็หนึ่งนาทีเออ <laughs> <laughs> ดียังนั่งได้ก็ถือว่าเก่งแนละ้วเนาะคนเด็กอายุเท่าหนูนี่มีใครมานั่งสมาธิได้ตั้งสองนาทีมีไหมมีเพื่อนในห้องมีถามถามเพื่อนในห้องว่านั่งสมาธิได้ไหมเคยถามไหมนีม่คือความผาจายพรุ่งนี้เราไปถามดูไปโรงเรียนถามโอเคครั่ะผาจายเออนาะแล้วมารายงานนะว่าถามมีคนนั่งสมาธิได้กี่คนนะโ อ, นะโอเคไหมโอเคค่ะผาจาย อวันนี้ไม่มีคำถามครับโอเควันนี้โวนหรือเปล่าครับสซนนิดไน่อยพี่ชายโซนนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์เออทำอะไรบ้างอ่ะ้็ทําอะไรที่จะจ่ายยังไม่มาอะไรเช่นไรตัดกระดาษร้องไห้หรอที่จะดูทีวีแล้วไม่มีทีวีไม่มีเลยไหมนั่นนั่นไม่เกิดอะไรหรออ๋อไม่เกิดอะไรอ๋อไม่ไม่มีใครเดือดร้อนใช่ไหมอ่๋โอเค อย่าไปทำอะไรให้คนหนึ่งก็เสียหายนะก่อนนัก็คือก่อนพ่อจันได้พ่อจันทักถัอนแข็งแรงนะคะโอเคไปแล้วชิงชิงชงวยพ่อพอาจารย์ก่อนเลยค่ะมเมื่อวันอาทิตย์พาไปไปฟังคำของพระอาจารย์เฉลิมพลมาค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่ี่ไหนวันนี้พระอาจารย์ท่านมาที่คาเฟ่นาถะ ในกรุงเทพอะคะ่ะพระอาจารย์เฉลิมพลท่านมาจากวัดอุดอหรหนูจําชื่อไม่ได้อคะค่ะอืวัดหลวงของหลวงปู่เสาอะค่ะอืค่ะเจ้านี่เขาก็ไปถามเขาเขาบอกว่าให้ใครมีคามาามามําถามอะไรมั่งวันนูจะถามเขาถามว่าอะไรเราก็ไปถามว่าทาไมคนเราต้องเกิดแก่เจ็บตายนี่ไพพัชรเขาเมตตาตอบใหค้ <laughs> ค่ะออค่ะ <laughs> ก็พยายามพาเข้าฟัง ทำแล้วก็พาไปวัดเท่าที่จะทําได้อย่างที่พระอาจารย์บอกอะค่ะว่าค่อยๆให้เขาสืบสับดีปลูกฟังตันน้งแต่เด็กกันดีมันจะโตขึ้นมันก็จะได้ไม่หลงไม่เลื่ติดเป็นนิสัยไปค่ะพระอาจารย์ไม้ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แข็งดัดยากนอค่ะยิง่งโตก็ยิ่งยากขึ้นไปเรืลยเพราะจะเป็นตัวตนของเขามากขึ้น ค่ะตอนนี้ก็ยังต้องพึ่งพาเราอยู่เราบอกอะไรเขาาก็เชื่อเขาก็ฟังค่ะ<า>เราสอนไป<า>แต่ถ้าเขาโตแล้วนิสัยเดิมก็มีมากกว่านิสัยใหม่เขาอาจจะกลับไปตามนิสัยเดิมเขาก็ได้อ๋อค่ะก็คือทำได้แค่ตอนเด็กแค่ชี้นำใช่ไหมคะพอตอนโตนก็ให้เขาเลือก<า>เองค่ะอย่างไรก็เขามีทางเลือกฮะ ค่ะพระอาจารย์น้อมนำไปปฏิบัติค่ะพระอาจารย์คะช่วงนี้ทำใจให้อุเบกขาทำใจให้เป็นกลางยากมากเลยค่ะเพราไมไม่ไม่ใช่สติไม่ใช่สมาธิาาเอาใจเข้าไปอ่านไปอ่านข่าวไปอ่านตามเพจต่างๆก็ มีโมหะมีโทสะขึ้นมาตลอดเวลาเลยค่ะต้องสำรวมเตาหูจมูกเอ็นกายอย่าไปดูอย่าไปฟังเรื่องที่ทําให้เราวุ่นวายใจอม่เกิดปะระโยชน์เลยถ้าไม่ไปดูไปฟังมันก็ไม่มันความวุ่นวาใจมันก็ไม่เกิดค่ะพระอาจารย์คนะ ข, ขอโทษค่ะว่ามาอ๋ออย่างอย่างการสู้ลบกันเนี่ยคะ่ะพระอาจารย์เราส่งใจไปเชียร์ ไม่ใช่เชียไปให้ไม่ต้องส่งหรอกส่งไม่ได้ยังไงคือแบบอย่าไป อ, อยู่เฉยๆดีส่งเงินไปส่งเงินไปแล้วส่งเงินไปอย่างนั้นเ ร, เ, รเราเขาเราเขาเรียกว่าเป็นการอะไรคะเป็นส่งเสริมให้คนฆ่ากันอะไรอย่างนี้ไหมคะอะาจารย์เราส่งใจไม่เราส่งใจไม่ได้ฆ่ากันนะ ย, ยังไม่ได้ให้เป็นเงินเงี้ยให้ใจ อาจจะเป็นมโนกรรมอย่างนี้หรือเปล่าคะหมาเลยหมว่าส่งใจว่าสงใจไม่เป็นไรแต่ส่งเงินนี้ไปเสียโอ้เกเรมาแล้นเกินเกเรดุลต์ตะหนีนี่มันหัวงเงินนะจริงๆจริงส่งเงินค่ะพระอาจารย์แต่แต่ก็บอกว่าส่งไปแบบโรงพยาบาลที่โดนระเบิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ส่งไปเองก็ส่งไว้เอะส่งไปแล้วค่ะส่งใจมันได้เลยใจมไปไปซื้อยามาได้เปล่าไปซ่อมอาการได้เปล่า ค่ะคือคือส่งไปซ่อมอาคารส่งไปซ่อมโรงพยาบาลหรือว่าน่นแหละคือก็นันแหละคการส่งใจนั่นแหละเป็นการโอ้ไม่ใช่ส่งแบบปากปากพูดไปขอส่งใจช่วยเหลือนะใครๆก็พูดได้เราก็พูดได้ที่ที่หนึ่งถามคือหมายถึงเอ่อที่เขามีแบบอไปสร้างบังเกอร์หรือว่าไปซื้อโดนทําลายระเบิดอย่างเงี้ยอันอย่างเงี้ยมันคือซื้ออุปกรณ์ไป ป้องกันป้องกันทำารอ่อป็นป้องกันไม่ได้ฆ่าคนไม่ได้ฆ่าเขาเขาเข้ามาหาเรื่องเราเองอ๋ออย่างนี้บริจาคได้หนูเราอยู่บ้านเราถ้าเกิดใครเข้ามาเอย่าปล่อยเขาเข้ามาหรือเปล่าอ๋อค่ะพระอาจารย์เรต้องยิงปืนไล่มันไปใช่ไหมค่ะคือเราอย่าไปตั้งใจฆ่าเขาแล้วกันค่ะให้เขากลัวให้เขาอะไรไปอ๋อโอเคจะได้สบายใจค่ะหนูก็เลือกเลือกกดเพราะเอ๊อันมันจะเป็นการมี ใจมุ่งมั่นที่จะไปฆ่าเขาส่งอาวุธไปทําลายหรือเปล่าแบบก็ส่งข้าวส่งกับอะไรไป<า>ของที่เขาต้องใช้กันค่ะผ้ า, าจารย์ถ้าไม่อยากจะส่งเงินเงินเขาก็ไปซื้อของจําเป็นทั้งหลายนะ่ะอาวุธ<า>เขามีอยู่แล้วกองทัพก็มีอยู่แล้วเงินที่เราส่งไปไม่พอซื้ออาวุธหรอก อ, อ, อาวุธมันเป็นหมื่นล้านแสนล้านมันใช่บาทสองบาทที่ไหนค่ะผ้าจายนอืม ส่วนใหญ่ส่งไปเพื่อสนับสนุนทหารที่ก็ต้องเหนื่อย เ, เหน็ดเ่อยให้เขามีกำลังใจไม่อดข้าวไม่อดน้ำไห่อดอได้อือค่ะพระอาจารย์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีหมอมียาคอยดูแลเขาค่ะอันนี้ต่างหากแต่เรื่องาวุธมันไม่มีทางที่มันไม่มีเงินพอที่ไปซื้อส่งไปหรอกอมนมันมนเป็นร้านอะยิงกระสุนอะไรปืนอะไรแต่อย่างมันไม่ได้ถูกๆที่ไหนค่ะ ล้วก็้ะดมสนับสนุนเงินภาษีล้วก็ไปแล้วเนี่ยเราเสียภาษี้เราอเปล่าเสียค่ะแล้วก็มสนับสนุนกองทัพแล้วล่ะอ๋อค่ะพระอาจารย์กองทัพเขาเงินมาจากที่ไหนล่ะเอาเงินภาษีมาค่ะงั้นอย่กลัวเลยนะเขจะเอาจะทมุหน่อยกลัวเลย ไม่ใช่คมาถึงหมงาย ถ, ถึงเขาระดมทุนด่วนแบบว่าซื้ออุปกรณ์นี้แร่งด่วนไปแบบสมมติดนทิ้งระเบิดอย่างเงี้ยค่ะว่าฉันเอาไปทิ้งระเบิดอุ้ยแล้วลถ้ า, า ก, การไม่ก็สกัดกั้นเขาหลังเขาจะเดินเข้ามาก็อืไม่ได้ไปบุกไปตีบ้าที่บ้านเขาที่ไหนนะเขาเข้ามาบ้านเราเราก็กันไล่เขาออกไปนั่นเองจะไล่ยังไงใช้คําพูดดีๆเธอไปเธอไปเอาไว้นะก็จะไปว่ะค่ะ S <S แล้วต้องมีอะไรล่ยิงปืนยิงจุดประทัด อ, อะไรเงี้ยให้มันให้เขากลัวบ้างจาไม่มีใครอยากจะข้าใครเรา อ, อ๋อโอเคค่ะจะได้สบายใจโอนเต็มที่ อ, อ, อ, อนไปน <S <S เลยได้บุญได้กุศลนอกประกันได้ประเทศชาติก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนบ้านของเราถ้าเร า, าช่วยกันดูแลรักษาแล้วต่อไปเราจะมีบ้านอยู่แถ้าไปเข้ามา ค่ะพระอาจารย์น้อมนไปปฏิบัติแล้วจะได้สบายใจค่ะพระอาจารย์ใจนะไม่ทําุญสบายใจแล้วค่ะไม่ได้ไม่บอกได้ทำบุญนะค่ะนมื่กี่เลยมันฉลาดเพราะจะทำบุญขนาดมันก็มีเรื่องให้คิดไปทำไปทำจะดีหรือเปล่าเวลาไปทำบาปพี่เลยไม่ออกมาถามเลยดีหรืล่าะอาจารยแล้วยังซืามาแสนนี่ก็ไม่มาถามเลยดีหรือเปล่า ซื้อเลยใช่มค่ะซื้อเป็นทําไมถ้าถามาเราถามซื้อเป็นทําไมถุงพลาสติกใบนั้นก็ใส่ได้เหมือนกันค่ะใช่ไมก็ใส่ของถุงไม่กระเป๋าไม่ไว้ใส่อะไรก็ใส่ของใช่ไหมค่ะแล้วถุงพลาสติกใบนั้นมันใส่ไม่ได้อะกันน้ําด้วยค่ะเอ่ดีกว่าได้ซ้ำไปหายก็ไม่หายก็ไม่เสียใจค่ะใช่ค่ะจริงเลยค่ะอาจารย์ตอนเด็กๆคิดไม่ได้ค่ะต้อง มันเหิตามเข้าไปเพราะเขาว่า น, นี่ดีก็เหินตามเข้าไปกิเลสมันหลอกว่าโอ๊ยทำงานเหนื่อยมาทั้งเดือนอทั้งปีทำงานทั้งานหน่อยเดี๋ยวนี้กินค่ะได้ค่ะพระาอาจารย์ค่ะแบ่งไม่เขาพอเขาแบ่งไม่ทั้บุญหน่อยถามก้อนขึาเอาไปทไําไรค่ะพระอาจารย์ต่อไปจะลดคําถามให้น้อยอตรงล้วค่ะวันนี้วันนี้คนก็ใส่บาตกันเยอะแยะใส่ไปทำไม ใส่เขาก็ไม่ได้กินเหลือเหลือแน่นอนเลยค่ะมีแค่นี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ไปใส่วัดที่ไม่ไม่มีคนใส่อ่ะวัดไม่มีคนใส่ก็แสดงว่าวัดไม่ดีเลยก็ไม่ใส่ก็เลยไม่ต้องใส่อะวัดดีก็ไม่ใส่วัดไม่ดีก็ไม่ใส่จริงเนี่ยจริงค่ะมาไปซื้อกาปเปิ้ลดีกว่าไปซื้อกาปเปิาลดีกว่าค่ะอันนี้เป็นสนุกสนุกนะไม่ได้ว่าใครนะค่ะอาจารย์กิเลสมันต้องจะเป็นอย่างนี้มันจะมาคอยขาดขวางการทำความดีของเรา ชอบมีเอชชอบมีตัวเอออกมาเอะจะถึงพระจะถึงวัดจริงๆหรือเปล่าร้อยแปค่ะพระอาจารย์เราทำเป้าหมายหลักคือเราต้องการตัดความตันหีของเรา <c oughs> ตัดความโลภของเราให้มีพอมีพอกินก็พอ <c oughs> ถ, ถ้ามีเหลือกินเหลือใช้ก็ไปแบ่งปันกันดีกว่าค่ะพระอาจารย์พระอาจายะเก็บ ไ, ไว้เดี๋ยวกินเลียมันจะขอไปซื้อซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าใหม่นะค่ะ พอไม่มีไม่มีเงินเหลือมันก็ไม่มีซื้อใช่ไหมค่ะพระอาจารย์พอไม่มีเหลือเว้ไม่มีเหลือเราก็ไม่มองไม่ไม่เดินผ่านมันมองก็ซื้อไม่ได้ไม่มีเงินจะซื้อเลยต้องรีบหาทางระบายบริจาคตั้งแต่ต้นต้นเดือนนะคะพระอาจารย์ทาไปนะค่ะขอพระอาจารย์ท่าขนแข็งแรงนะคะสาธุค่ะอ่าฮใครก่อนนี้ เดี๋ยวจำแนงกาจ้ที่รอก่อนเอาเด็กๆพวกนี้สองคนไปก่อนะเรามันแบบฮาดคอแล้วเอาพวกซอฟคอก่อนเอาเด็กชายอะไรคุณฝนกับนน้องน้องทิมน้องทิมกลับมาจัการค่ะพระอาจารย์ว่าไงน้องทิมกี่นาทีแล้ว อ, อะไรนี้ตอนนั่งไปเก้านาทียังไม่ค่อยนิ่งครับเพราะว่าปวดขาครับ ก็พยายามอ่าอย่าให้มันตังกว่าเก้านะเวลาปวดขาก็พุทโธพุทโธพุทโธพออยู่พุทโธเดียวเดียวมันก็หายปวดเข้าใจไหมความปวดส่วนใหญ่กิเลสมันสร้างขึ้นมาหลอกแล้วความปวดจริงๆมันนิดเดียวพอเราใช้พุทโธดับกิเลสแั๊บเฮ้ยเมื่อกี้รู้สึกเหมือนปวดมันมันไม่ค่อยปวดอะไรนี้ออืืม ต้องอยู่กับพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวนะอย่าไปสนใจกับความปวดเข้ mm. าใจไหมเข้าใจครับโอเคคุณฝ น, oh. นมีอะไรบ้างขออนุญาตมีคำถามค่ะพระอาจารย์พอดีเมื่อวานนี้ออได้โอกาส อ <c oughs> uh, เข้าไปดูซูมที่อ uh, เป็นของเอ uh, ที่เป็นต่างชาตินะคะพระอาจารย์แล้วมันมีช่วงที่เขาถามคําถามเรื่องที่ว่าเขาเขานั่งสมาธิแล้วเหมือนเขาไม่ได้สงบใช่ไหมคะแล้วเขาก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วแล้วแต่ว่าเขาบอกเขาคิดเรื่องทํามะแล้วพระอาจารย์บอกว่าเหมือนถ้าเขาจะคิดอ่ะให้เขาเหมือนแบบว่าให้ดูให้ดูร่างกายไปอ่ะคะ่ะตอนตอนระหว่างนั่งแบบนี้นะคะ่ะพระอาจารย์ นูก็เลยจะถามว่าอย่างสมมุติตอนนั่งเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราเริ่มมีความคิดแบบอาจจะคิดไปทางปัญญาหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์บอกว่าให้เริ่มจากการดูร่างกายเราก่อนแบบนี้ค่ะคือมันดูแบบคือพระอาจารย์บอกว่าให้ดูแต่ว่าไม่ได้ให้คิดนะค่ะคืออันนี้คือดูยังไงล่ะคะดูต้องคิดอ่ะอันเดียวกันเลยดูว่าต้องคิดเดีูว่าคิดว่ามันเที่ยงมันไม่เที่ยงดูดูในไใจละ ดูถ้าจะเป็นปัญญามันต้องเห็นมันมันต้องเกี่ยวกัองเรื่องตายรักเรื่องนี้จังทุกขังนัสตาเอาางการนี้เที่ยงไม่เที่ยงเอเหมือนเดิมเปล่าตายไม่ตายเกิดแล้วต้องตายหรือเปล่าเไม่เที่ยงใช่ไหมเราไปยึดเวลาเราไปยึดมัเรามันทุกข์ไว้น่ะเวลาเราเราอยากให้มันเที่ยงแล้วไม่เที่ยงอยากให้มันอยู่ไปนานๆมันไม่อยู่ไปนานๆ แล้วมันเป็นตัวของเราจที่ยิงก็บ่าเราควบคุมบังคับสั่งมันได้หรือเปล่าสั่งมันได้บางอย่างบางอย่างก็สั่งไม่ได้สั่งให้มันลุกขึ้นมาได้สั่งให้มันเดินได้สั่งให้มันกินได้แต่บางครัมันก็สั่งไม่ได้สั่งให้มันกินมันก็ไม่มันก็กินไม่ลงก็มีสั่งให้มันเดินบางที่มันก็เดินไม่ไหวก็มีนี่มันไม่ได้ยึดภายใต้คําสั่งของเราไม่ใช่ตัวเราแล้วถามว่าตัวเราอยู่ตรงไหนในร่างกายนี่ที่ว่าร่างกายเป็นเรานี้่ยนะนี่แหละคือคิดทางปัญญา ไม่ใช่คิดเป็นอะไรก็บวิตรยก่าปัญญาค่ะอ yeah. mm ือฮึปัญญามันต้องเกี่ยวกับร่างกายเป็นหลักเพราะร่างกายนี้เป็นตัวที่เราแบกมาอย่างแสนสาหัสทุกข์กับมันอย่างแสนสาหัส mm hmm. เราต้องมาดับความทุกข์ที่เราแบกับร่างกายนี้ให้มันหมดไป <Yeah. S 2> เราต้อเห็นไตรักของในร่างกาย mm hmm. ถึงเจาเป็นปัญญา ถ้าจะคิดคิดแบบนี้ชัน <Okay. S 2> คิดอาการ32เนี่ยร่างกายมีอะไรบ้างมีผมมีขนมีเล็บมีฟันแล้วมีเราปะเราอยู่ตรงไหนอ่าร mm ่า hmm. งกายเป็นเราของเรามันอยู่ตรงไหนเราอะแล้ว mm hmm. ก็อยู่ที่ความคิดไม่ใช่เราเพลยงแต่ <Okay. S 2> คิ ด, ดว่ามันเป็นเราไแบบงเราเปรมไงถ้าทํำยิ่ต่อไปมันก็แยกออกได้ไมันก็เห็นออก mm hmm. ตัวเราของเราเนี่ยมันเกิดจากความคิดของเราเองของของใจที่ไปคิด ตัร่างกายมันไม่มีส่วนไหนที่เป็นเราเลยมีไหมเราอยู่ตรงไหนอยู่ลู ก, กตาอยู่ที่จ ม, มูกอยู่ที่ฟันไม่อยู่ที่เล็บไม่มีค่ะนั่นคือการใช้ใช้ปัญญาถ้ายังไม่มีสมาธิคิดไม่ได้หรอกที่ดได้สองคำเดี๋ยก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงลูกคิดถึงเพื่อนนะค่ะออืถึง huh. อยากคิดอย่างถ้ยังไม่ได้สมาธิอย่าเพิ่งไปคิดแบบโทกิเลตมันหลอกคิดได้สองสามคำนะี่ไปละเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้นะ หยุดคิดให้ได้ก่อนถ้ายังหยุดคิดไม่ได้จะนั่นปัญญาไม่ไนะเพราะจะถูกกิเลสมันคอยหลอเอาความคิดไปทางทางกิเลสแต่ถ้าเราหยุดคิดได้แล้วพอกิดเลสมันจะดึงไปแล้วก็ดึงกลับมาได้ทันทีค่ะค่ะเข้าใจแล้วคะ่ะพระอาจารย์เพราะว่าพอดีก็เออเลยเมื่อวนันที่ได้มีโอกาสได้เข้าไปดูก็เลยมีคําถามขึ้นมาก็เลยเออแต่แต่เข้าใจในสิ่งที่พระอาจารย์สอนสั่งแล้วคะ่ะพระอาจารย์เพราะว่าจริงๆเราตอนนั่งก็หนูก็ไม่ไม่จะไม่ได้คิดอะไรอะค่ะก็คือเหมือนพ่อจันทร์ จะย้ำอยู่เสมอว่านั่งเพื่อให้เกิดความสงบไม่ได้ไม่ได้ให้คิดนะะจะให้อยู่แต่กับคําบริกรรมตลอดอะไรแบบเนี้ยค่ะก็หนูก็เข้าเข้าใจค่ะพระอาจารย์พอดีพอดีเขาเห็นเขาถามคําถามนี้ขึ้นมาแล้วพระอาจารย์พูดว่าเออถ้าเกิดจะคิดให้คิดแบบนี้ก็เลยว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ทุกคนอยากจะใช้ปัญญาแต่ไม่รู้ปัญญามันไม่ใช่มันของง่ายใช่ค่ะใช่มันคิดได้แค่สองสามวินาทีคิดได้เกแก้วเจ็บตายองสามวินาทีองสามินาทีหายไปแล้ว การสถานีสองนี้ยังคิดไม่ได้มเนี่ยได้ก็ได้แค่รอบเดียวจบแล้วพอละไปแล้วเข้าใจแล้วรู้แล้วมันยังไม่รู้จริงเดี๋ยวพอไปเห็นนางกายสวยๆงามๆก็ก็เกิดกิเลสขึ้นมาทันทีลืมไปแล้ว่มันต้องเห็นจนกระทั่งไม่ลืมจนะทั่งปราบกิเลสได้ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาอถ้ายังปราบกิเลสไม่ได้มันยังไม่เป็นปัญญามันเป็นความคิดเป็นสัญญาจําบ้างจาแล้วก็ลืมลืมแล้วเป่า อพอไปเจออะไรขึ้นมาพอเป็นพิจนาเป็นอนิจจังพอไปใช้พอไปเจอเข้ า, าจริงๆอนิจจังหายไปหมดรองท้าก็สวยกระเป๋าก็สวยเสื้อผ้าชุดนี้ก็สวยหรือว่าเหมือนเวลาอนิจจังไปหมืด <c oughs> <c oughs> นี่ก็นี่ก็ลดไปเยอะแล้วถ้าเกิดเมื่อก่อนร้อยนิดนี้ก็ลดลดไปเยอะแต่ก็ยังมีอยู่ค่ะอาจารย์แต่ลดไปเยอะมาก เราพยายามค่อยๆตัดไปทีทละอย่างแะตอนนี้ต้องมีสมาธิก่อนแนละ้วจะมีกําลังที่จะคิดในทั้งทางไตรักษณ์ได้แล้วก็จะหยุดความอยากได้ะเพราะเรามีสมาธิเรามีกําลังไม่เอาเบี้คาถ้าไม่มีสมาธิถึงแม้จะรู้ว่ามันมันไม่ดีไม่ควรจะซื้อมันก็ยังอดไม่ได้อยากจะซื้ออยู่ที่ใช่เจ้าค่าะอันนี้จริงหรือเราท้าไม่เกินคู่แล้วถ้าใช้เหตุผลนะ เท้าเรามีกี่คู่เท้าเราก็มีคู่เดียวใช่ไหมเราใส่รองเท้าใส่เทียกี่คู่อ่ะสี่แล้คู่ค่ะอ่ะาสี่แล้วทำไมต้องมีสิบคู่ด้วยใช่ไหมเราใช้คู่เดียวให้มันให้มันขาดไปก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเลยท่านจะใช้ด้วยเห็นได้ผลนะใช่พูดไม่ออกเลยจ้าคนะ่อะองเจ้าถึงให้พระใช้แค่พ้าไม่เป็รองเท้าที่ไม่ทําไปพระ มีก็ได้มไม่มีก็ได้ไม่ถือว่าเป็นไม่ไม่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเนาะฮปัจจัยสำคัญกคือผ้าผ้าจีวอนผ้าหนึ่งชุดก็พอผ้านุ่งผ้าผมอันนี้พอนะอมีน้อยถ้ามันสบายไม่ต้องมาคอยกังวลเนี่ยมีเยอะๆต้องหาตู้มาใส่ใช่ไหมดีไม่ดีตู้ก็ไม่พอย <laughs> เอาห้องนอนเป็นตู้เก็บของเป็นห้อเป็น ต, นตู้ห้องนอาเป็นที่เก็บเสื้อผ้าเก็บรองเท้าเก็บกระเป๋าเลยก็ <c oughs> โลไปเยอะอ่ะทวดแต่ว่าก็แต่แต่ว่าคือถ้าเกิดเชียบตั้งแต่ก่อนปฏิบัติกับหลังปฏิบัติตั้งแต่ปฏิบัติมาก็ถือว่า <c oughs> เยอะดีกเลยค่ะ ดีกว่าเยอะค่ะทั้งในในหลายๆเรื่องอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะพระอาจารย์ทั้งเรื่องของสติการควบคุมอารมณ์คือคือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยอารมณ์ลอยอะ่ะก็ก็ดอบลงมาถือว่าเยอะมากมากก็หลายๆเรื่องที่แบบเข้ามากระทบถ้าเป็นเมื่อก่อนคิดมากเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้คิดอะไรค่ะพระอาจารย์พอมีอะไรปุ๊บจะกลับมาที่คําบริกรรมพุทโธตลอดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอรู้สึกตัวก็อย่างนอนปุ๊บ ถ้าสำลุเรย์รู้ตัวปุ๊บเนี่ยจะจะลงพุทโธ ท, ทันทีเลยค่ะพระอาจารย์จะพยายา ม, มแบบไม่ไม่ทิ้งพุทโธในในในในถ้าถ้ารู้ตัวรู้ตัวขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะจะพยายามพุทโธให้เรื่อยๆอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ได้พยายามฝึกสติฝึกสมาธิก่อนให้จิตมนความสงบมีความสุงบมันจะเริ่ ม, ม, มยแยกแยะว่าอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็น <c oughs> อันนี้มันมันถูกกิเลสมันหล่อจําเป็นไปหมดอันนี้ก็จะเป็นต้องสใส<ช>่ชุดนี้ไปงานแต่งงานใส่ชุดนี้ไปงาน<ช>ไปเลี้ยงดินเนอร์ใส่ชุดนี้ไปเที่ยวว่ามันก็ต้องมีหลายรอยชุดอ่ะสิ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ค <c oughs> ่ะแต่ถ้าถ้าพิจารณาเรืปัญญามีเสื้อผ้าไว้ทําไมก็ไว้ปกปิดร่างกายนั่นใช่ไหม <c oughs> จึงต้องมีกี่ชุดก็อย่างผ้าเนี่ยเป็ชุดเดียวไปงานไปทุกงานได้หมดงานศพก็ไปได้งานแต่งงานก็ไปได้ ทำไมไม่แคว่วาภา <idez. S 1> ทาไมใส่ชุดนี้มาก็ามีชุดเดียวก <laughs> <laughs> ็จริงจังจจ้ า, านี่ดเดือนนี้ยังดีไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีไปงานกลางคืนแล้วไม่ได้ไปไหนไม่เนื้อก็ไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าอะไรแล้วมีเดื อ, ดอ น, น งต้องมันต้องต้องฝึกสมาีิก่อนให้มันใจมันพอก่อนพอใจมันพอแล้วมันจะเริ่มยากเย็นแล้วมาตามเหตุตามผลว่าร่างการมันต้องการอะไรจริงๆมันน้องการรองเท้ากี่คู่มันมีเท้าคู่เดียวมันจะรองเท้าไปสิบคู่ไปทำไมบางคนมีน้อยคู่ก็มีพันคู่ก็มีไม่กนาดนั้น ไม่ขนาดน้อยนะคะใช่จะซื้อเลยก็ได้เคยมีข่าวว่าประธา น, นรัฐบดีพระยานนปรธานรัฐบดีคน<ะ>นึงมีลูกท้งสต้องพันคู่มากอร์สที่ของอฟิลิปปินส์ใช่ <laughs> จ้ะคะ่ะ ก็ขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะเจ้าค่ะที่เมตตาสอนสั่งค่ะวันนี้ก็ได้ได้รับคําตอบที่ที่ที่ที่ที่ต้องการนะคะที่ที่เข้าใจแล้วค่ะในคําถามที่ถามว่าค่ะพระอาจารย์อดีนะครัุกอย่าก็ขอบขอบพระคุณมากเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จะไปปฏิบัติสมาธิต่อค่ะพระอาจารย์โอเคดีมากทั้งทีเนี่ยเก้านะแล้วก็เพิ่มเป็นสิบนะอย่าถอยลงมานะห้ามต่ำกว่าเก้านะโอเค Okay, โอเคไหมลูกนะพระอาจารย์บอกว่านะห้ามหามถอยนะลูกถอยไม่ได้น ะ, <Okay. S 2> ะกล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์ว่าเจ้า่ะาถือถือน้องน้องพีต่อน้องพีถึงคิวน้องพีแล้วยังนั่งสมาี่ไม่ได้เอาลี่บอกกิดน้ำวางเร็วหลวงพ่อสบายดีนะคะสบายดีจ้าพอดีว่าวันนั้น ปากน้งเิรินตักปากอเขาบอกนะเขาถ่ายรูปส่งมาให้นะไม่ใช่ไงอ๋อค่ะค่ะใช่ใช่อ่ะงน้องพีรายงานตัวหน่อยสิรายงานตัวทำอะไรบ้างครับวันเมื่อวันนี้ได้นั่งสมาธิห้านาทีครับแล้วก็สวดมนต์ครับสวดมนต์กี่นาทีครับสวดมน หานาทีอืมแล้วเล่นเกมเนเกมกี่นาทีครับเล่นเกมมากกว่าหนึ่งชั่วโมงค่ะโอ้โหทำไมเกมงั้นไปเล่นที่ไหนอะมากกว่าหนึ่งชั่วโมงอะไม่ได้เรียนเหรอถึงคุณโปรแกรมลับใช่ไหมแต่ตอนเช้าหนูก็ให้มาสวดมนต์ตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนค่ะ พยายามพยายามฝึกไปเรื่อยๆนะบางบังคับเลยค่ะเพราะว่าทำผิดปุ๊บหนูยึดมือถือเลยค่ะไม่ไม่ไม่ไม่มีพูดพั้มทาเพลงละไม่ทะเลาะด้วยคือยึดเลยคือโดนโดนไปแล้วสองเที่ยวยังไม่เข็ดบอกมาม่าทำจริงนะก็รู้ใช่ไหมครับพอจะยึดอีกทีบอกโอ้มาม่าบอกโอเคครั้งนั้นให้โอกาสหนึ่งครั้งถ้าทำผิดอีกยึดไม่ยึดยึดแล้วไม่ไม่ไม่พูดแล้วนะ ไม่ถามแล้วนะครับครับมไม่กล้าแนละ้วชอบลองของลองของไปเรื่อยๆม่โอเคมีอะไรไหมค่ะก็ที่ชายแดนหนูก็มีส่งของไปกับทางวัดพุทธบูชาเจ้าค่ะออ ม, อ, มอหงข้าวสองใบมีมีที่บ้านอยู่สองใบสองใบแล้วก็มีพวกน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าค่ะ ของกินของใช้นะจําป็นค่ะหาชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซ้อมพลาสติกแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็ตะเกียบครับนี่คือแล้วก็อะไรติดตัวกันนโอวันตินค่ะก็ฝากฝากกับทางวัดไปค่ะอยู่ยาปัจจัยสี่อาหารเสื้อผ้าอะไรทำนองนี้ทั้งคนที่ที่เขาอบายมุขก็ไม่มีเวลาที่จะคนข้าวคนของคนอะไรใช่ค่ะโอ้โหนี่โอ้ปฏิบัติมานี่ เห็นแล้วก็สงสารมากเลยแล้วพอพอเห็นสิ่งที่มันมันไม่ถูกต้องค่ะแล้วเขาแล้วเขาไปทําไปหนูนี่แบบคือความรู้สึกว่าโห้ยทาไมถึงทํากับคนในประเทศตัวเองได้ถึงขนาดนี้ทําไมถึงอย่าไปวิวาววิจารณ์ใครเขาเลยค่ะเรื่องของเขาเรื่องเวรกรรมใครทำกรรมมันในวันก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปค่ะออืม เรามีหน้าที่ทําความดีเราทําความดีของเราไปหนะะึ่ง่ะคิดถึงความดีที่เราทำนั้วเรามีความสุขใจว่ะคิดถึงความเชื่อว่าบุญอื่นแล้วก็ทำให้เราไม่สบายใจไปบ้างใช่ใช<ต>ค่ะแ้่ก็ให้มองเหมือนอย่างที่หลวงพ่อพูดอ่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอืเดีย๋ยวมันก็ผ่านไปอคิดถึงบุญีกุศลที่เราทำนี่ค่ะคิดคิดแล้วมันสบายใจ <c oughs> มีความสุขใจเออวันนี้ได้ช่วยส่งของไว้ให้เ ข, าเ ข, า ข, เข้าวดีขึ้นอะไร ดีขึ้นใช่ค่ะคใช่มีพวกสบู่ยาสีฟันอแปรงสีฟันแล้วก็ที่ก้นหนวดของผู้ชายด้วยค่ะอพอดีว่าตอนไปที่แบบทางโรงแรมได้มาเก็บคือไปพักพักปไปหลายที่แล้วก็ได้มาเยอะอค่ะก็เลยตรงเนี้บริจาคเลยเพราะว่าตั้งใจอยากจะบริจาคเยอะแต่ว่ารอว่าเมื่อไหร่จะมีตรงไหนให้บริจาคก็ตรงนี้พอดีเลย จนยังก็ส่งแม่ผู้อวบไปยกทหารเขาก็พอมีอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะทาหารเขาก็ตอนนี้เขาก็อยากได้พวกยา ก, กันยุงถุงเท้าอะไร<ช>พวกนี<ช>ค้ค่ะทีอสเซล่าก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะหลวงพอคิดดีพูดดีทําดีดีกว่านะค่ะหลวงพ่อใครยันดีใครยันชั่วก็ไม่ต้องไปพูดถึงเขาให้เสียน้ําลายไปว่าเอาน้ำลายมาพูดเรื่องความดีดีกว่าพูดแลาวมีความสุขใจ ค่ะอ่ากาความเลวร้ายของคนแล้วมันก็จะทำให้เราเศร้าใจตอแท้ไม่มีกำลังใจที่จะอยู่ในโลกนี้ค่ะแต่ถ้าคิดถึงความดีของคนเนะี่ยคิดแล้ว ม, ม, มันมีความสุขใจล้วโลกนี้ยังมีคนดีอยนะู่นะจริงค่ะก็ได้เห็นโซเชียลตอนนี้คือเขารวมใจกันเป็นหนึ่งก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มใจว่าออกแสดงว่าความคิดเห็นเขาอาจจะแตกต่างกันในช่วงก่อนแต่ตอนนี้ ก็เขาก็รักชาติกันก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะโอเคนี่ค่ะนี่นะคะขอให้ต้องน่าสบาที่ส่วดมนต์ทุกวันนั้องพีนะทำให้เป็นนิสัยค่ะโอเคแล้ชีวิตจะมีความสุขต่อไปที่จัตติกระจำนั้ย ลำเป็นลำนับมัสักการพระอาจารย์ครับเอไม่ไงไม่เหตุใดไหมครับวันนี้มาส่งกันมากครับไม่วุ่นวายใจกับสงคราวเขาเลยก็ไม่ค่อยครับไม่ค่อยนะอ่าดีทํางานบ้านดีกว่าส่งงานบ้านมาหนึ่งบานครับเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร้องพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร้องพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้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 ถือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆเสื่อไปเราทั้งหลายควรพิจรารณาอย่างนี้ทุกคนทุกวันเถิดทำไว้นะนี่ความจริงศัจรูธรรมความจริงของชีวิตนะชีวิตจะต้องเจอกับสิ่งเหล่นานี้ทั้งนั้นเป็นข้อสอบว่าเราจะผ่านไหมผ่านก็คือเราไม่เดือดร้อนเราไม่ทุกข์กับมันครับถ้ายังเดือดร้อนยังทุกข์กับมันอยู่แสดงว่าายังสอบตกอยู่ครับอืม ในร่างกายนรามีอะไรบ้าง ม, มีผมผนเล็เบฟันกลมเนื้อเป็นกระดูกเยื่ในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับฝัังเผือกไตปอดไส้ใหญ่ไส้เล็ก อ, อาหารใหม่อาหารเกา่าเยนื่ในสมองสีสษนน้ำดีน้ำเสลจน้ำเหลือมน้ำเลือดน้ำเนื้อ น้ำมันข้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำขัดข้อน้ำมูดน้ำมูดนขัดข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเนื้น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำดีเยื่ในสมองสีสันอาหารเก่าอาหารใหม่ใส่น้อยใช่ใหญ่ปอดไตทางผื่ สัตว์หัวใจหางในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนงางฟันเล็บขนอบมีมีเราไม่มีในร่างกายนีมไม่มีครับเราอยู่ที่ไหนด้วยโลกทิพย์ครับอเอราอยู่ในโลกทิพย์อยู่อีกโลกหนึ่งมันจะโลกของร่างกายกับโลกของใจนี่เป็นคนละโลกกันติดต่อกันได้ด้วย ด้วยกระแสของวิญญาณครับกระแสของความคิดสังขารของคิดตงแต่งวิญญาณรับรูปเสียงกลิ่นร้อมาจากตาของจมูกเลี้ยงกายสังขารความคิดก็สั่งไปที่ร่างกายให้ทําอะไรต่งตางๆครับแต่อยู่คนละที่กันเหมือนอยู่โลกพระจันทกับโลกโลกโลกที่เราอยู่นี่ไม่ได้อยู่ที่โลกเดียวกัน ถ้าโลงนี้เป็นอะไรไปเราก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับโลกนี้เราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายครับไม่ต้องไปกลัวร่างกายเป็นไรก็ให้รู้เฉยๆไปได้เองครับอ่ามีอะไรไหมนั่งสมาธิไท้หลายนาทีนี่สี่สิบห้าเลยสี่สิบนาทีครับสี่สิบห้าโอ้พระเจ<า>ดีไหวไหมก็ไหวครับยังเกลี้ยยังเพิ่มอีกไหมก๋จะหาเวลาครับ เอาได้โอเคไปพยายามรักษาไว้นะอย่างน้อยก็อย่าให้น้อยกว่านี้นะครับถ้าวันไหนไม่แนะนำต้องชดเฉยนะครับนั่งสองรอบครับนั่งสำหรับวันนี้กับบ้านนา่งสําหรับเมื่อวานนี้ที่เราไม่แนะนําครับโอเคไม่มีคําถามครับไม่มีครับโอเคเขีนไปที่คุณนูกตา้วยคับกลับไปพบคุณพระจามครับลูกตาด้วยคุณแม่ อ่ก็ น, น่ลงจากเขาแล้วนะเกี่วกับนวมศกา ร, การค่ะอาจารย์ลงมาวันอังคารค่ะพระอาจารย์เป็นไงสงบดีไหมสงบค่ะดีกว่าอยู่ที่บ้านไหมดีดีกว่ามากเลยค่ะอ่าไม่พ้นต่างๆ่านะนะสถานที่นี่มันมีส่วนนะต่างกันค่ะเพราะอยู่ อยู่บ้านมันเหมือนกับว่ามันยังต้องมีทําทํำนูน่ทนทํานี่อะไรเงี้ยถึงไหมขนาดว่าเราจะตั้งตั้งสติดีๆแล้วก็ก็ก็ตามค่ะแต่อยู่บนเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเราไม่ได้อยูไม่มีอะไรทํามันอยู่กับตัวเราแล้วเราก็อดอดอดข้าวได้ได้แค่วันละมือก็อยู่ได้ค่ะอืมค่ะนี่เนี่เขาเรียว่าสถานที่สบปปายฮะอ่ะ อาหารอาหารสัปปพยะบุคคลสัปปะยะนี่คือสิ่งที่เราต้องวินิจฉัยพิจารณาค่ะแล้วก็แล้วก็มีจะมีฝูงลิงมาให้ดูด้วยค่ะว่ามันก็ยิ่งทำให้เรากลัวกลัวการเกิดเข้าไปอีก่ะค่ะอืมการอยู่อยู่ที่ ก, การทำบาปอนะใช่ค่ะว่าโอวัตะนี้มันมันวนเวียนกันอย่างเนี้ยถ้าเราไม่รีบทำเดี๋ยวเราก็เกิดพลาดพังไปเป็นลิงเข้า เป็นหมาเข้าอะไรเงี้ยคะ่ะหนูก็หนูก็ได้ยังเง้คะ่ะได้ได้พวกสัตว์เลี้ยงฉันมาเป็นเ อ, าอ่าตัวคอยเตือนสติะอะค่ะอืดีพยายามปฏิบัติให้มากค่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้หนูหนูจะมีปัญหานิดนึงค่ะพระอาจารย์ว่าพอมันนั่งมาได้สักครึ่งชั่วโมงกันมันจะมีอาการไอไอแห้งๆทุกครั้งเลยคะ่ะมันก็เลยต้องเริ่มก็ก็ไล่ก็ปล่อยมันไอไปถ้า้าไม่ได้ก็ปล่อยมันไอไป มันเป็นเหตุสุริสัย้ก็ปล่อยมันไอไปไอเสร็จแล้วก็มาทําต่อทําต่อคะอ่ะอ <c oughs> ไม่ไม่เป็นไรหรอกถ้ามันเป็นเรื่องเหตุสุริสัย้หนูว่าเดี๋ยวจารมีโอกาสจะลองไปไปตรวจปอดดูเหมือนกันคะ่ะอค่ะ <c oughs> แล้วก็เวลาที่เราเข้าเข้าจิตแล้วเข้าไปในสมาธิได้อะ่ะมันรู้สึกเหมือนมันมีพลังมีความสุขมีมีเลี้ยวแรงอะคะ่ะพระอาจารย์มันอิ่มมันพอค่ะมันไม่หิวกับอะไร ค่ะแล้วก็พอออกมาแต่นุ้นหนูอยู่ได้ไม่นานนะคะอยู่ได้ไม่นานมันมันก็ออกมาออกมาหนูก็นั่งต่ออืนั่งต่อแล้วรู้สึกว่าถ้าถ้าเราเข้าไปในสมาธิได้เนี่ยมันมันบอกไม่ถูกเลยค่ะพระอาจารย์มันไม่มันไม่ใช่มันไม่มันไม่มีความเหนื่อยล้าไม่มีความเกลียดค้านะมันอยากจะนั่งต่อต่อไปเรื่อยๆค่ะใช่มันมีความสุขจริครัความสุขทั้งปลอมก็พยายามนั่งบ่อยๆ ออกมาแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ค่ะแล้วก็หนูตอนนี้หนูลองลองทำที่หนูอ่านเจอในหนังสือของพระอาจารย์ตอนเริ่มแรกที่ว่าพระอาจารย์สวดสติปัฏฐานสี่อะค่ะอตอนนี้หนูก็เมื่อก่อนเนี้ยหนูหนูก็ใช้วิธีการภาวนาเลยใช่ไหมคะอยู่กับพุทโธแล้วก็ลมหายใจแล้วก็แล้วก็จะได้สมาธิอะค่ะอตอนตอนหลังเนี้ยหนูก็ลอง ท, ท, ที่เรือน4ร่อะค่ะมีหนังสือมีหนังสือสวดมนต์สติปัะฐาน4อยู่ด้วยค่ะหนูก็ลองลองเอามาสวดเป็นเป็นจรุงข้าสูตรอะคะ่ะหนูก็เอาอแต่มันยาวหนูก็จะใช้ตัดตอนเอาว่าวันนี้สวดแค่นี้อพอสวดเสร็จหนูก็ภาวนาพุโทโธแล้วก็ทำนั่งสมาธิต่อหนูว่ารู้สึกมันง่ายขึ้นนะคะใช่มันช่วยลดความกิดงงค่ะ มันง่ายกว่าเราเริ่มภาวนาเลยอะค่ะใช่เพราเวลาเริ่มใหม่ๆนี่ความคิดมันยังมีเยอะอยู่มันจะรู้สึกยากต่อการดูลมุมต่อการบริกรรมกุศโลเราก็ลดความคิดลงให้มันคิดทางทางธรรมะทางพุทสูตรท่องพุทสูตรไปถ้าท่องจําได้ยิ่งดีย่งถ้าไม่ต้องเปิดนหนังสือได้ยิ่งดีเอามาท่องจาไว้เวลานั่งเราจะได้ไม่ต้องไปเปิดหนังสือดูนั่งท่หงจำได้ห น, ไหนูใช้ท่องในใจนะคะ ส่วนในใจค่ะส่วนในใจแต่ไม่ต้องเปิดหนังสือดูค่ะตอนที่พระอาจารย์สอนออหนูว่าเออไหนไหนมาบนเขาแล้วมีหนังสือส่วนมนมีอะไรลองลองทําตามที่พระอาจารย์เคยอเออที่ที่อ่านเจอในประวัติของพระอาจารย์นะคะว่าเริ่มแรกส่วนมนตบท น, นี้ก่อนแล้วอ่านแล้วเข้าใจด้วยมันจะทําให้เรามีปัญญารู้ว่าพระเจ้าทรงสอนให้เราทํำในอะไรบ้างแล้วหนูยังมหาัาจารย์เลยค่ะในคิริมแล้วหนูได้ไปอ่านในคิริอะไรนะคิรานทศนะคะ คุณเ้าท่านรู้จักโรคเบาหวานด้วยอ่ะค่ะออืโรคมันมีมาไม่ใช่เฉพาะปัจจุบันนี่ไหนมันก็มีมาทุกยุคทุกสมัยปเป็นแบบใช้ชื่อต่างกันไปแค่นี้หนูหนูเวนูอาเจาะโอ้โหพราะองค์ทรงสุดยอดเลยมันจะพูดยังไงคะ่ะว่าท่านรู้ก่อ น, น, น, น 3, ท่านเป็นสองพันอยู่ท่านรู้ทุกเรื่ <C> s <S องเรื่องอะไรที่ควรจะรู้นี่ท่านรู้หมด ท่านศึกษาทุกอย่างท่านไม่ได้ปล่อยให้เรื่องอะไรที่ท่านไม่เข้าใจปล่อยให้ผ่านไปค่ะสัพันธูพอช่วงไหนที่มันมันเหมือนเหมือนกับว่าพอออกมาแล้วแล้วเราได้พิจารณาใช่ไหมคะหนูก็อ่ได้ได้ได้อ่านหนังสือพิจารณาเสร็จแล้วเราได้พักผ่อนหนูก็ได้ได้อ่านหนังสือธรรมะอะค่ะแต่หนูจะหนูจะยึดประวัติของประวัติวิธีการปฏิบัติของพระอาจารย์นะคะอื ถ้ามีเวลาท่านใจหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นกับปฏิบัติธรรพุทธนรของหลวงตาหมาบวชก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านของหลวงปู่มั่นก็ได้อ่านนะคะในในในเรือนสี่มีอยู่มีค่ะมีอยู่ค่ะหนูแต่ว่ายังได้อ่านต้นต้นเอ่อที่ท่านเริ่มต้นกับพระอาจารย์พระอาจารย์เสาอะค่ะแล้วก็ท่านแต่ท่านโลดโผนมากค่ะหนูอุปจารสมาธิของท่านอ่าออกไปรู้เรื่องราวเยอะแยะไปหมดค่ะ ดูแลน่ดูลน่าจะเหนื่อยอ่านแล้วมันจะทำให้เราเกิดความศรัทธามากขึ้นด<ะ>ูเรื่องมากขึ้นว่าจิตโฉนดแต่ละคนนี่มันมีอะไรที่วิเศษที่เราไม่รู้กันนะค่ะหนูก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เปย่างสูงเลยคะ่ะก็กราบขออบพระคุณพระพุทธธรรมพระรสงฆ์ผู<ะ>วบาอาจารย์เท่าไรต้องก็ศึกษาจากท่านมาส่ายทอดกันมาเป็นช่วง ดีมีอะไรไหมไม่ไม่มีค่ะคุณตังก็ไปงานเริ่มปฏิบัติเดยงก็ปฏิบัติค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้ทุกวันค่ะหาใจคือตอนนี้จิตมันมันฟุ้งซ่านมากไม่มีเรื่องให้คิดแล้วก็มันก็มีเรื่องเครียดเยอะค่ะ หงูก็แค่คินเองเขปล่อยมันคิดเพิดเวลาแบบนั่งสมาธิหนูต้องใช้สวดอิติปิโสค่ะพระอาจารย์สวดไปเลยหนูอุดโทกับดูลมไม่ได้เลยค่ะตอนเนี้ยาใช้สวดวนบนเอาค่ะเวลาเครีดตอนไหนก็สวดไปเลยไม่ต้องรอเวลามานั่งสมาธิค่อสวดสวดได้ทั้งวันค่ะพระอาจารย์ต้อสวดบ่อยๆสวดบ่อยๆนั่นมันจะเครีดน้อยลมค่ะ โ <Okay. S 2> อเคค่ะจับขอบคุณค่ะจับขอบคุณคาอาอจารย์สภาตาัตาตอนนี้เนีออ่ยอาจารย์เต็ม <c oughs> เต็มที่แล้วนะเต็มยนะ้อนนะอาจารย์กลับนมัสการพระอาจารย์ชาวคาลีลูกอันนี้สอนลูกเสร็จที่มาเรียนใน ห, ห้องมังเกีะกี่คนนักเรียนนักศึกษาได้ยินไห ม, <c oughs> ไ, มไม่ได้ยินนะสัญญาณไม่ดีนะ อืมสัญญาณของคุณสบตาไม่ดีทางซะแล้วอืมสัญญาณไม่ค่อยดีอีกแล้วเจ้าค่ะอ่าเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนนะะไม่ค่อยได้ยนินพระอาจารย์เลยเจ้าค่ ะ, อะโอเคอย่งนั้นต้องขอข้ามไปก่อนอได้เจ้าค่ะได้เจ้าค่ะสัญญาณไม่ค่อยดีอีกแล้วเจ้าค่ะไม่เป็นไรเจ้าค่ะวตอนนี้ดีแล้วกลับขอบคุ ตอนนี้ดีแล้วพูดไปได้เจ้านะค่ะมีอะไรไหมดีเป็น พ, พน่อพักสัญญายังก็เป็นสุปตามันจะคงจะอ่อ น, นอยู่ทถวไหไม่ทราบได้เจ้า ค, ค่ะสัญญาไม่ดีเลยเจ้าค่ะอโอเคเจ้าค่ะเราผ่านไปก่อนสัญญาเบนะื้องตได้เจ้าค่ะได้สัญญาคุณซันนีแบงค์ก็ อาจารยนรเมศการพระอาจารย์ค่ะอ่าช่วงนี้ก็ตอบตกแบบที่พระอาจารย์บอกค่ะยังวุ่นวายกับข่าวสารบ้านเมืองอยู่ค่ะก็พยายามดีใจเลยค่ะก็จะพยายามบิดเรี้ยงแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่ารู้ว่าใจใจมันวุ่นวายค่ะอย่างนอาจารย์ ม, า, มาทำสมาธิดีกว่ามีความสุขก่า บอกแม่ฝาว่ากลัวเขาจะยุดประเทศเราคุณแม่คุณแม่ปฝาบอกว่ากลัวกลัวว่าจะโดนยุดประเทศมันไม่ง่ายอย่างนั้นเหรอง่ายง่ายงั้นก็ดีสิก็ต้องพยายามเอฝึกติสร้างสมาธิแล้วก็หลีกเลี่ยงการเสพข่าวสารที่มากเกินไปใช่ไหมคะอาจารย์อยเสพแล้วได้ยิ่งดีถ้าอย่างนี้ทำใจให้สงบ ค่ะพระอาจารย์จะกลับไปสอบทําข้อสอบไหนคะจ <Okay. S 1> บด่ด้นี้ค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะอมต้องกคาถานี้ไว้อะไรจะเกิดก็เกิดเราจะรู้เองแล้ก็ไปห้ามมันไม่ได้อยู่ดีมันจะยึดก็มันก็ต้องยึ ด, ดถ้ามันจะยึดได้มันก็ยึดไปค่ะพระอาจารย์ <c oughs> แล้วมันจะเราไปแล้วมันจะเอาเราไปอยู่ที่ไหนนะมันยึดแล้วมันจะเอาเราไปอยู่ที่ไหนต้องอยู่ที่เดิมเดี๋ยวะอาจารย์ นแต่ว่ามันมันมันเป็นหัวหน้าเราได้เลงแต่ก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะคะไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นใช่ง่ายนั่ก็ดีแล้วไม่คิดว่าเราไปยึดเขา้างมั้ยเขายึดได้ด้วยนั่นสิคะโอเคนะสนใจเป็นสนใจไปเป็นหน้าที่ของบ้านเมืองเจะเกิดำหน้าที่อ่าเมันเป็นหน้าที่ของเขา เรามีหน้าที่เสียภาษีก็ทำหน้าที่ของเราไปก็พอทำมากินของเราไปใไหค่ะแล้วก็สัอพเอร์เล็กๆน้อยๆส่งเงินส่งกำลังใจอย่างนี้ใช่ไหมคะ่ะพอแล้วค่ะได้ค่ะพระอาจารย์จะนำไปปฏิบัติค่ะค่สะสาุคุณอาจารย์อาจารย์ผมวิไยลยานุกูลนอนแล้วเหยะครับน้องจา ก, การันค่ะ กำลังเต็มตัว<ะ>แล้วค่ะใน<ะ>วัสดุการงา น, งานเดี๋ยวลับมาเข้ามารยายงานตัวค่ะว่ากลับมาเรียบร้อยค่ะเพิ่ง ม, มาถึงเลยถึงถงานเนี้ยถึงบ่ายค่ะก่อนบ่ายสองโมงนิดนึงฮะมาแวะทานข้าวที่บางแสมไปเยี่ยมร้านลูกศิษย์เนี่ย โอเคไม่มีอะไรนะไม่มีค่ะกามารับพลังเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวก็จะขอดีทายออกไปด้วยน้องๆจะได้เข้าเข้านี่โควตาเข้าได้อีกสักหนึ่งคนค่ะดีถ้าดีการร่างสแกนอ่าไปที่คุณยายกับสันโดษสันโดษรู้ส็กอ้วนดีนะหน้าตาคมดี <c oughs> มันมาสการครับพระอาจารย์เรียนหนักครับมันเกี่ยวอะไรมันเกี <c oughs> ่ยวอะไรเรองกินอ่ะไม่มีเวลาออกกําลังเลยครับพระอาจารย์พอ <ừ> นั่งกินปุ๊บ ก, ก็นั่งหน้าคอมปับ <c oughs> ไม่ได้ไปไหนดูเวลาเลยกินมื้อเดียวดูเดี่ยมันจะอ้วนเนียดูเนยเรากินมื้อเดียวเนี่ยมันอ้วนไหเลยครับพระอาจารย์กินมากมันก็อ้วนเถอะเลยอย่าไปอ้างว่าเรียนมากเลยเป็นคนละเรื่องกัน เนียนมากแต่ไม่กินมันจะอ้วนได้ยังไงครับอาจารย์เดี๋ยวจะลดเดี๋ยวจะลดเอ่ออินพุตให้น้อยลงเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวเขาอาจจะหลายปีนะเดี๋ยวนี้คุณยายเป็นยังไงบ้างคุณยายสบายดีก็อยู่บ้านนะคะแมนคุณยายอ้วนเลยคุณยายแก ไมรักษาอาจารน์คคุณยายทานน้อยมากเลยฮะถ้าคุณยายก็เอาที่เหลือให้ผมกินต่ออื้ก็เจ๋งนะมันก็ได้กินได้ถ้าเราถึงเวลากินก็มากินได้ถ้าไม่ถึงเวลาก็อย่าพุ่งกินะกินให้มันเป็นมื้อๆไปอย่าไปกินแบบไม่มีมื้ออยากจะกินเมื่อไหร่ก็กินนะมันก็เลยมันก็เลยกินมากครับอาจารย์ รับทราบครับโ <Okay. S 2> <laughs> อเคครับอาจารย์รับรครับ้ครับนปะัญญาแข็งแรงนะอยู่ปัญญาหนานะน ะ, อะขอบคุณค่ะแร้วลึกถึงทั้งสวัสาธุสาธุขอบคุณสาธุการชายนาฏค่ะมาฟังธรรมนะพระจังปฏิบัติาดี่ไปต่อนะการให้ที่คุณจ้า อาน้าไปนะย้ายที่อยู่แล้วเหรอแอบลมั้สักการ์ค่ะพระอาจารย์ตอนนี้มามาไทยกลับหึค่ะเออกลับมาไทยเลยอืมใช่ค่ะตอนนี้อยู่กับพี่สาวค่ะเพราะว่าหนูหายไปเพราะว่าหนูย้ายบ้านแล้วก็เดินทางวุ่นวายไปหมดเลยค่ะพระอาจารย์ปีนี้ยังไม่ยังไม่ย้ายอยื่ที่เท็กซสัสเนี่ยไม่ไปแล้วยังค่ะยังก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะย้ายไปตอนประมาณเออหนูจะกลับ จากไทยกับเมกาประมาณเดือนกันยาต้นกันยาค่ะตอนแรกก็คิดว่าตุลาน่าจะย้ายแต่ว่าตอนนี้ก็คือตั้งแต่ที่หนูเคยเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าประมาณเดือนกว่าสองเดือนที่แล้วค่ะว่ามีปัญหากับเรื่องงานแล้วก็เหมือนตอนนี้กาลังพยายามวางรากฐานอยู่เพราะว่าหนูไม่อยากที่จะต้องไปทำงานบริษัทอะค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะ<ม>หนูรู้สึกว่ามันจะเหมือนกลายเป็นต้องเสียเวลากับชีวิต เพืจะแบบไปทํางานอีกอะไรเงี้ยค่ะแทนที่ว่าจะถ้าทํางานตัวเองอย่างน้อยเราจัดตารางได้ว่าจะทํางานเมื่อไหร่ทําอะไรเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะไม่น่าจะาข้ออ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็เลยกลายเป็นช่วงนี้ก็โฟกัสกับเรื่องงานค่อนข้างหนักพอสมควรค่ะ mm hmm. ก็ละหลวมกับทางธรรมมากเลยค่ะคะอาจารย์แต่ก็หนูพยายามอในชีวิตประจําวันก็พยายามตั้งสติเวลาที่เริ่มคิดอะไรเลอะเทอะมากมายอะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะพยายามดึง ไม่ให้ไม่ให้ไกลเกินแล้วก็คอยยังยังคอยพยายามฟังธรรมแล้วก็อาทิตย์หนึ่งจะได้นั่งสมาธิพูดแล้วก็อายแต่ประมาณครั้งหนึ่งอะไรอะค่ะประมาณหนึ่งวันจะได้นั่งถ้าเป็นแต่ก่อนก็จะนั่งแบบตื่นเช้านั่งทีหนึ่งก่อนนอนนั่งทีหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะก็คือลับหลดไปเยอะพยายามดึงดึงมันกลับมาค่ะแต่ก็วันก่อนช่วงนี้หนูก็พยายามอ่าพยายามลองนั่ง แบบใหม่คือหนูรู้สึกว่าพอเวลาตามลมหายใจแล้วมันฟุ้งซ่านคงเป็นเพราะว่าเอ่อด้วยความที่ชีวิตประจําวันไม่ค่อยมีสติด้วยมั้งค่ะมันก็เลยทําให้ตามไม่ค่อยอยู่หนูก็เลยลองเปลี่ยนเป็นเพ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่งแล้วก็เหมือนพยายามเพ่งให้ทุกอย่างมันมืดไปอะไรเงี้ยค่ะก็มันจะเกิดเป็นความรู้สึกสงบแบบไม่ไม่ได้สงบแบบเข้าสมาธินะคะแต่ว่าก็คือเป็นความรู้สึกเหมือนรอบๆอบตัวเหมือนเสียงมันเบาลงเงียบไปอะไรเงี้ยนิดนิ ด, น ด, นดอะไรเงี้ยค่ะ แปล ว, ว่าพอทันทีที่ตัวเองรู้สึกได้ถึงความเงียบตรงเนี้ยเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นว่าแบบเอ้ยมันแบบมันเปลี่ยนไปมันไม่มันไม่เหมือนตอนที่นั่งก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอคิดอย่างงี้ปั๊บมันก็จะทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม<笑><笑><笑> ก, ก็คือไม่สําเร็จต้องกลับ ไ, ไ, ไปเพ่งใหม่กลับไปเพ่งใหม่อย่าง <c oughs> เพ่เพ่งเป็นนานๆแล้วอย่าคิดค่ะพอคิดปั๊บก็แพ้ไปอีกแล้วมันจะ มันจะตื่นแต้นนะคะอาจารย์ mm. เพราะมันจะมีช่วงที่พอเพ่งไปถึงจุดที่หนูรู้สึกว่าเหมือนเหมือนแบบเหมือนโลกรอบข้างมันจะเป็นเหมือนมันเป็นสีดําชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วเหมือนเหมือนมันเหมือนมันแบบเงียบลงเงียบลงอะไรอ่าค่ะแล้วใจหนูก็จะบอกตัวเองว่าเอ้ย อ, อย่าบอกนะว่าจะเข้าแล้วจะเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทันทีเลยทุกครั้งพอคิดอย่างนี้ปั๊บหลุดออกมาทุกอย่าง mm. เสียงดังเหมือนเดิมเราไม่ได้เพ่งต่อ <c oughs> เราไม่ได้เพ่งต่อค่ะใชไปเพ่งกับความคิดค่ะ <c oughs> ไม่ได้เพ่งกับ ไม่ได้แทนไม่คิดแทนใช่ค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะพยายามอยู่ขอพะอาจารย์อาทิตย์ที่เราก็เข้ามาค่ะอาจารย์แต่ว่าเข้ามาแล้วนั่งนั่งไปสักพักนึ่งแล้วสกงกเริ่มแบบโยเกเยกก็เลยรู้สึกว่าออกดีกว่าให้คนอื่นเข้ามาแทนอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้อาทิตย์เองก็ตั้งใจว่าไม่ได้เราละหลวมสมาธิก็ไม่นั่งเข้ามาฟังธรรมก็ไม่ไม่ฟังหรือแบบอะไรเนี่ยไม่ไหวแล้วก็เลยพยายามอยู่ค่ะพะอาจารย์ มีคำถามอะไรไหมเดียว น, นี้ไม่มีค่ะพระอาจารย์วันนี้เข้ามา พ, พยายามดึงตัวเองให้กลับมาสู่ทางธรรมให้ได้ค่ะอ่าันดีต้องมีกําหนดการไว้ว่าจะทําอะไรอดถึงเวลาก็พยายามกทำตามที่เราได้กําหนดการไว้ค่ะอืมโอเคนะอาธุพระอาจารย์ค่ ะ, ข อ, ะขอบคุณมากค่ะอ่ไปที่คุณทับศครับ กล่ารรมสถารพระอาจารย์ครับอืมมีอะไรไหมยังไม่มีครับถ้าไม่มีก็ไปต่อนะครับคุณอ่าใบที่คุณหมอาอาสนาะกล่าวธรัมสถารค่ะพระอาจารย์ก็กลับมาแล้วค่ะไปขออนุ ญ, ญาตหลวงพ่อกอ็เดี๋ยวเดือนหน้าไปอยู่ห้าวันพระอาจารย์อืหลวงพ่อท่ก็กลับมาแล้วค่ะก็หลวง พ, พ่อสมบูรณ์กลับมาวันแล้วค่ะ แต่ว่าก็ยังไม่ได้ให้คนเข้มเยอะเพราะว่าเพราะว่ า, า, วายังยังแบบยังมีแบบเดินยังเดินอะไรเดินเหินได้แต่ว่ายังต้องระวังเรื่องติดเชื้อแต่ติดเชื้อไม่มีคใครแล้วนะคะอืมแล้วก็หลวงพ่อของเหล่าหลวงพ่ออีกรูปหนึ่งที่เป็นสตรกอะเดินได้แล้วว่าอาจารย์ท่านเห็นความสําคัญของกายภาพก็เอาเอ า, เอาเครื่องมือ อ, อกกุปกรณ์กรรมนิว ไ, ไปให้ท่านนะคะอะืก็ดีแล้วก็แล้วก็สงบแล้วอาจารย์รู้สึกเลยว่ายิ่ง ยิ่ความวุ่นวายมามันยิ่งสงบอ่ะพระอาจารย์มันเห็นเลยมันยิ่งรู้สึกว่าโลกมันวุ่นวายจริมันจากความโลของคนไม่มีอะไรวุ่นวายเรายิ่ ง, งเล่นความเพียรคือทำไมอยากมาลูกชายลูกชายก็ก็เห็นเลยคะหมอก็วุ่นวายพระอาจารย์งานหนักมากเพราะว่าของลูกชายก็แบบอินเทอร์สองสามก็โดนส่งไปที่ชายแดนเขาก็ให้อินเทอร์เลอยู่โรงพยาบาลคนไทยก็เยอะเลยอย่างนี้ก็เห็นแล้วก็ไปลูกชายแลไปสาแก้วนะคะก็ไม่ได้กลัวก็ไปเยี่ยมเพื่อนแล้วก็เอาของไปให้กําลังใจอะไรอย่างนี้ ขับกลับมาค่ะกล้รู้สึกสงบแล้วไม่ไม่ไมไมก็ก็คือทำเราทำหน้าที่ของเราค่ะก็ช่วยเหลือเท่าที่เราทําได้แต่สงบแล้วพระอาจาร์รู้สึกเลยว่าเออแบบต้องขอบคุณพระอาจารย์มากเลยอ่ะค่ะ ม, มันสงบแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนก็ล่มเย็นอะพระอาจารย์มันเหมือนแบบเอออยู่ที่ไหนมันก็มันก็มันก็ดีอะพระอาจารย์ดีหมดเลยเราสามารถะจะทำได้ถ้ามันมีสเต็มันก็ดีถ้ามันมีค่ะใช่ใช่ไหมคะพระอาจารย์รู้สึกว่ามัน มันดีไปหมดมันรู้สึกดีมากเลยพระอาจารย์ค่ะมีแรงมีแรงเยอะเลยค่ะพอาจารย์ขอบคุณไปขอบคงณมีแรงเดือนหน้าไปอยู่นะคพรอาจารย์นี่จ้าคุณหมอนอนแน่นหม้ตาเยอะวากลับมากรรมะอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ครับเปยังแม่คุณโรปานทําทำงานป้า บาช่วงนี้ก็จะงานเยอ่นนิดตึงครับอาจารย์ก็เหมือนกับทั้งเพื่อนๆหลายๆท่านที่ว่าก็บางทีก็อาจจะ ห, าหา่างห่างไป้ครับอาจารย์แต่ว่าอาจจะไม่ทิงครับอาจารย์อชัก็ต้องอกาหนดเวลาสําหรับธรรมะบมางอย่าปล่อยให้งานอย่างอื่มมนมาขัดมนต์ก็พยายามยังไงก็ให้ไม่ลดไปกว่าสามสิบนาทีค่ะตอนนี้แต่เดี๋ยวก็จะพยายามเพิ่มครับอาจารย์ เราไม่สามารถเอาสิ่งที่เราทำได้งานที่เราทำนี่เราไม่สามารถเอาติดไปกับใจได้แต่เราทำมาที่เราทำนี้เราเอาไปกับเราได้เอาไปกับใจได้เอาสมาธิไปแต่เอาเอาเงินเราทงไปไปได้เอาตำแหน่งอะไรไปไม่ได้รอาชั่วคราวเราต้องมองไกลๆอย่ามองแค่เฉพาะ ชาตินี้ได้ยังมีชาติหน้าเรา อ, อยู่ก็ง่ายอ่าเข้าใจไหมทัญญาณหยุดเลยถ้าทาสทัญญาณไม่ค่อยดีตอบได้ไหมมันก็คดสุภาตาิตนะนี่เดินไปก่อนนะไปที่คุณยินดีต่อ อายินดีเป็นอยอยู่อเมกาก็สบายดีค่ะก็าตามเรื่องเมืองไทยนิดนิค่ะท่านอาจารย์ได้เท่ไหได้เพื่อนบ้านาไปอีกหรือเปล่ายังไม่ได้ยังค่ะเขาก็คนที่เข้ามาคาดิลาสเขาอยู่อีกเมืองใช่ไหมใช่ค่ะท่านอาจารย์คือเขาเขาอยู่คข้างเนี่ยค่ะท่านอาจารย์เขาอบอกเขาไม่กล้าเขาบอกเขาไม่กล้าเข้าซูมเพราะว่า เขาไม่รู้จักคำพูดเขาบอกเนี้ยเขาขอดูเอข้างๆแล้วเขาก็จะจดเขาบางครั้งบางคราวเนี่ยค่ะท่านอาจารย์เขาก็จะจดจดจดจดจดซูมท่านอาจารย์นะคะคือเขาจะดูย้อนหลังแล้วเขาก็จะจดพอจดปุ๊บเขาก็จะมาเข้ามาถามหนูว่าอันเนี้ยหมายถึงอะไรเขาจะถามหนูอย่างเงี้ยค่ะว่าอันเนี้ยมันหมายถึงอะไรเมื่อคราวก่อนเขาก็มามาถามถึงเรื่องอ่านาตาอืแล้วหนูก็ อธิบายไปแล้วเขาก็บอกอ๋อเข้าใจแล้วเขาก็ดีค่ะท่านอาจารย์คือแต่เขาก็ไม่ได้แบบพอช่วงเนี้ยค่ะเขาปวดหลังเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อแล้วเขาบอกว่าเขานั่งไม่ได้หนูเลยบอกว่าอยู่ไม่ได้นั่งนะอยู่ <"You S 2> ก็ดูไปแล้วอยู่ก็ดูเอาว่ามันทุกข์ไหมเนี่ยที่ที่ที่ที่อยู่เป็นทุกวันเนี้ยมันทุกข์ไหมเวลาปวดหลังเนี่ยแล้วอยู่ก็ยอมรับมันไปแต่ เขาก็บอกว่าเขาเขาทนไม่ไหวแล้วเมื่อวานอะคะ่ะเขาก็ต้องไปเอเขาก็ต้องเอาทานยาแก้ปวดอะคะ่ะอาจารย์<ม>ไทนนนอนของของของการปวดอะคะ่ะท่านอาจารย์<ม>เพราะมันเยอะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดหนูเข้าใจก็หมายถึงว่าเส้นเอ็นนะคะมันมันฉีกมันฉีกขาดมันมตอนนี้เขาก็เลยใช้เครื่องนวดอยู่ แล้วเขาก็าบอกว่าเขาเขาเขาเขาไม่ได้เขาบอกเนี้ยค่ะเขาบอกว่ า, านั่งไม่ได้ช่วงเนี้ยเพราะว่ามันปวดมากทำหน้าผู้ประกันแบบใหม่ๆยังทําไม่ได้เนัะเสถียรไม่พออันนี้ไม่พอค่ะลูกก็เลยบอกว่าเนี้ยเข้าใจอยู่ก็อ่านไปนะให้อ่านทนํานะไปเรื่อยๆแต่อย่าคิดว่าอยู่รู้เพราะว่าบางทีเนี่ยประโยคมันเหมือนกันแล้วอยู่ก็อ่านซ้ําๆซ้ําๆเนี่ยอยู่คิดว่าก็อยู่เข้าใจแต่ถึงเวลาปุ๊บแบบบางครั้งบางคราวเนี่ย ออ๋มันจะมันจะผูดขึ้นมาแล้วอยู่ก็จะบอกว่าโอมันมันมันไม่ใช่เราคิดว่าเราเข้าใจแต่จริ ง, รงๆแล้วยังไม่ถึงจุดที่เราเข้าใจจริงค่ะอก็แน่เข้าไปอย่างนี้ส่วนเดวิดก็เหมือนเดิมคะ่ะ ท, ท่านอาจารย์ก่อนออกก็วันนี้วันพุธท่านอาจารย์อืก็การท่านอาจารย์ก็ลูกสองคนก็กลับให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงคะ่ะท่านอาจารย์บอยสองเต้เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์สาธุอาจารย์ท่านอาจารย์อ yeah, so yeah. yeah. ย่างสูงค่ะ คุณอะไรคุณออมนย A O M แม่สการค่ะหายหน้าไม่ได้นาจำจำไม่ได้จาชื่อไม่ได้เนยว่าแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเป็นเดือนแล้วเมื้เนี้ยน่าจะเกือบปีค่ะพลาดลืมวิธีเข้าซูมแล้วลบแอปออกเรียบร้อย ทำไมเบื่อแล้วเหรอไม่ค่ะก็ยําไปฟังธรรมอยู่นะคะพระอาจารย์ก็เห็นอยู่เห็นอยู่บ้างค่ะะอันดีก็ใส่บาตรค่ะใช่ค่ะไปอาทิตย์เว้นอาทิตย์ค่ะอ่าดีทําไปทานศีลภาวนาศีลก็รักษาไปศีลหน้าให้บริสุทธิ์นะค่ะศีลแปดก็วันวันที่เราจะภาวนาก็รักษาศีลแปดไปค่ะวันไหนจะขึ้นเขาไงวันศุกร์นี้ค่ะจังที่ยวเลย ค่ะ2คืนเหมือนเดิมค่ะโอเคให้ชาติแบตเท่านั้นค่ะนี่มีอะไรไหมไม่มีค่ะโอเคค่ะค่ะทุกค่ะขอบคุณค่ะมเป็นเวลาพรเจนกับเจ้าการพระอาจารย์เจ้าค่ะอาจารย์เดิมญิงสอบตกเสพข่าวการเมืองเจ้าค่ะ แล้วแต่ว่าโยมก็รู้นะแบบว่าคือจากสมัยก่อนคือเราดูประวัติศาสตร์พัฒนาเล่พัฒนาสวนนะคะใจเราก็รักชาติแผ่นดินแต่ณปัจจุบันนี้เกิดเหตุการณ์จริงๆกับตัวเราณปัจจุบันนะคะอาจารย์เลือดความรักชาติในตัวมันมันเยอะมากเลยพระอาจารย์แบบรู้ตัวเองดูใจตัวเองอะพระอาจารย์ว่าโอ้โหทำไมเรารักชาติขนาดนี้แบบคือโยมโยมรู้เลยว่าการที่เป็นทหารแล้ว ไปอยู่ในวงอย่างนั้นเวลาเพลงเพลงชาติขึ้นมาพระอาจารย์มันมันมันคือที่สุดจ้ะพระอาจารย mm ์ hmm. แบบคือเราสามารถไปตายแทนไปตายแทนได้เลยแม้อารมณ์นั้นเลยค่ะพระอาจารย mm ์เราแต่แต่โยมหนิงก็ดูใจตัวเองค่ะเราบอกอืมก็โอเคแต่ว่ามันก็เป็นส่วนดีนะคะพระอาจารย์ทําให้คนเราอ่ะทําให้เด็กร้องเพลงชาติทําให้ทุกคน คนร้องแทงชาติแล้วร้องแทงชาติมาจากใจแบบพระอาจารย์ซึ่งวม่ใช่ประเทศประเทศไทยคือท่องใช่ไหมคะพระอาจารย์ <c oughs> แต่แบบคือร้องแล้วมันมันออกมาจากใจเลยพระอาจารย์แต่ว่าโยมก็รู้ว่าโยมสอบตกแต่ว่าก็ทุกอย่างก็พยายามปล่อยวางพระอาจารย์แต่ก็ก็ปล่อยได้แล้วค่ะแต่ก็แต่ก็กแบบที่สุดพระอาจารย์ที่สุดจริงๆค่ะสอบตกใช่ไหมคะพระอาจารย์อือคุณเจ้าสำนั เห็นอะไรได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าเห็นไปสักแต่ว่าได้ยินไปอย่าไป ม, มีอารมณ์กับสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นใช่ไหมจากเมื่อก่อนโยไม่เคยเสพข่าวจะมีข่าวอะไรก็ไม่ไม่เคยดูทีวีไม่เคยดูข่าวไม่เคยดูอะไรเลยค่ะแต่พอเรื่องแบบนี้มาคือแบบมันมันมันจัดใจเลยพระอาจารย์แบบเป็นห่วงประเทศแล้วก็แล้วก็รักทหารสงสารทหารนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า พ่อเราเป็นตํารวจด้วยเปล่คะพระอาจารย์คือเราเห็นคุณพ่อในเครื่องแบบมันกลายเป็นทําให้เราแบบรักรักรักมากอะค่ะพระอาจารย์อืหรือว่ามาดูในสายเลือดตัวตัวโยมเราไม่รู้เจ้าค่ะก็ยังเป็นกิเลสเนี่ยยังไม่รักใช่ไหมคะใช่รักไมช่างรักรักพวกเราเกียดเขาโยมโยมโยมไม่ได้เกลียดเจ้าค่ะโยมหญิงไม่ได้เกลียดแต่ว่าโยมคือแบบคือสงสารทหารด้วยแล้วแบบ มันต้องมาฆ่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันแต่ว่าแใจใจเราก็ยังผงประเทศใจก็ยังรักก็ติเลต น, นะคะเพระาะเราเราก็นึกถึงบุญคุณของกรรษัตริย์ที่ทําให้เราอยู่ดีมีสุขทุกวันเนี้ยคะ่ะเพราะบารมีของอ ม, มันฟุ้งไปใหญ่นะใช่ไหะอาจารย์จริงค่ะอันนี้จาย์สักแต่ว่ารู้มันกลายเป็นคิดผูกใจขนงงจาดปฏิบัติ ใช่ค่ะขณาดปฏิบัติมาตั้งเยอะแล้วว่าจะแบบสุดท้าย ก, ก็ก็หลุดค่ะก็จะกลับมาใหม่แล้วค่ะอาจารย์ก็ตอนนี้ก็พยายามจะไม่เสพอะไรมากแล้วค่ะอ่าเสพแล้วก็ปล่อยผพาะอันเข้ามารับรู้แล้วก็ปล่อยมันผ่านไปค่ะพระอาจารย์ตื่นมาก็ดูข่าวเลยพระาอาจารย์แบบกลายเป็นดูบแบบว่าทั้งวันเลยพระาอาจารย์โอ้ยแย่มากก็เดี๋ยวก็เข้ามารายงานพระอาจารย์ว่าจะสอบตกหลุดลุ้ยแบบรู้แล้วพระอาจารย์รู้ว่าตัวเอยงงานแย่แต่ว่า เอานักขอสักนิดเรียบร้อยแล้วสติเป็นยังไงคลายไปหมดสมาธิเป็นยังไงไม่รู้รู้ว่าอาจารย์ตื่นตื่นที่สามยังสวดมนต์เดินจงกรมก่อนนั่งสมาธิได้ค่ะอาจารย์ก็ก็ยังกลับมาอยู่กับลมที่หายแล้วก็นิ่งสงบแต่เมื่อกี้สงสัยนิดนึงค่ะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าเพ่งที่น้องคนหนึ่งค่ะที่บอกว่าเพ่งแล้วให้ให้เป็นสีดําหมดเนี่ยค่ะ เ mm hmm. มื่อก่อนโยมโยมดูลมเสร็จแล้วพอพอเราดูลมเสร็จอะ่ะมันก็จะเหมือนกระตาในอะคะ่ะพระอาจารย์มันจะเห็นเป็นเป็นเลเยอร์ดาํากับขาวแล้วโยมก็เพ่งเพ่งจนมันเป็นสีเดียวกันพอดํามันก็ฟึ๊บมาหมดพระอาจารย์แล้วมันกลายเป็นแบบเสียงข้างนอกเราก็ดับหมดเลยอพระอาจารย์แล้วเหมือนกับเราอยู่ใน่ําคนเดียวแบบตอนนั้นโยมโยมตกใจเพราะว่า มันดับหมดเลยแล้วก่อนก่อนก่อนที่โยมจะดับมันเหมือนคนที่ขาดอากาศหายใจมันหายใจเหมือนคนใกล้จะตายอะ่ะพระอาจารย์พอนคนใกล้จะพักหนึ่งมันก็ฟุบลงมาแล้วก็ดับหมดเลยแต่ตอนนั้นโยมโยมกลัวพระอาจารย์โยมกลัวก ล, ลัวว่าจะติดอยู่ข้างในคือมันขาวมันเราอยู่คนเดียวในค่ําเลยคะ่ะพระอาจารย์โยมก็ตกใจมากแล้วจากนั้นมาพอพอพอโยมมาเจอพระอาจารย์โยมก็ พระอาจารย์บอกว่าอย่าอย่าไปเพ่งเราเห็นอะไรก็ใยากลับมาตอนหลังโยมก็เลยจะไม่จะไม่กล้าเพ่งแล้วแต่มันจะมีความรสึกว่าพอเราดูลมพมันนิ่งอ่ะพระอาจารย์ตาในมันจะชัดมากเลยพระอาจารย์เพรพอมันชัดปุ๊บโยมก็พยายามกลับมาแบบดึงกลับมาอย่างเวลานอนอย่างเมื่อคืนก็เป็นพระอาจารย์พอเรานอนถึงก็บริกรรมคู้โทรแล้วก็แล้วก็ดูลมพอเราดูลมพอเราสงบอ่ะเหมือนกตาเราเห็น เหมือนตาแล้วมันจะเห็นกับเพดานเลยพระอาจารย์โยมก็พยายามดึงกลับมาอีกพยายามจะไม่จะไม่มองออกไปเป็นถ้าเป็นเป็นช่องหัวไปไงคะ่ะก็จะกลับออกมาอีกมันต้องเพ่งอะค่ะพระอาจารย์คือต้องให้เป็นดำหนึ่งที่เราทีแรกเราทําถูกแล้วใช่ไหมโยมให้อยู่กับพูโทโธไปอย่าไปเปลี่ยนอย่าไปเปลี่ยนพอมันนิ่งนิ่งก็อยู่กับลมไปดูที่จุดเดียวดูที่จิตดูที่จุดที่เราเคยดูใช่พระอาจารย์ พอดูตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมันจะเหมือนกับจะให้เราตานในมันจะชัดมันจะไม่ต้องไปสนใจให้ดูจุดเดิมอยู่ที่จุดเดิมค่ะแล้วที่มันเงียบสงบแล้วเสียงข้างนอกมันดับหมดเลยคนเดินแอรเออมันดับหมดเลยพระาจะยแล้ ว, ลวยมก็ตกเฉยไปก็รู้เฉยเไปสักแต่ว่ารู้ไปค่ะเพระาจารแต่มันก็ตอนหลังยมก็เลยแบบ พอฟังพระอาจารย์เมื่อก่อนเลยนะคะพระอาจารย์ตอนตอนนี้นิมิตยมก็ไม่จะจะไม่เกิดแล้วค่ะก็อยู่กับตอนเนี้ยมันก็อยู่แค่ความว่างแล้วก็นิ่งเงียบลมหายมันยังไม่ไม่ก้าวไปเยอะพระอาจารย์พอแบบพราะมันหายไปนานๆปุ๊บมันก็กลับมาอีกคือเรายังยังสงบไปยังยังยังไม่ยังไม่เขารียกแล้วมันมันยังไม่สงบนิ่งมากเท่าไม่แล้วค่ะอืม แล้วอย่างนี้เราต้อให้รู้เฉยๆไงอย่าไปคิดปรุงแต่งอย่าไปอะไรทั้งวันอย่าไปเปลี่นจุดที่เรารู้ให้เราอยู่ที่จุดเดิมถ้าตาตามันเหมือนจไม่ต้ไปสนใจไม่ได้ไปสนใจไม่ได้ใครดูอยู่ตรงจุดนั้นก็ดูตรงจุดนั้นไปอันเดียวอหลายปีแล้วพระอาจารย์อยู่ตรงจุดนี้อ่ะมันมันไม่ไปไหนเลยพระอาจารย์หรือว่าเป็นเพราะเรายังอ่อนเราเรา นั่งได้แค่สองชั่วโมงเงี้ยพระอาจารย์มันยังไม่ได้ไปมากกว่านี้ป่ะคะต้องมันจะไปไหนนะมันไม่ต้องการจะไปไหนมันต้องการมันอยู่เฉยเฉยไม่รู้ย่ิงเห็นพระอาจารย์ในหนัฟังหรือละอ่านมาไงคะคือก็จะแบบว่าตัวนั่งนั่งนั่งเพื่อให้มันอยู่เฉยแต่ไม่ใช่ตัวหายหรือหรือว่าหายม่หายตัวไม่เป็นไรก็แล้วแต่มันอะไรจะเกิดขึก็ให้รู้เฉยเฉยไปให้เฉยเฉยพระอาจารย์ไม่ให้ได้วุเบกคาให้วางเฉย เฉยค่ะโอเคโยมทำอะโยมอยู่สามสี okay. ่ปีอย no ู่ตรงจุดเนี้ยไม่ไปไหนเลยพระอาจารย์ก็จะไม่ไหนก็ให้มันก็นั่งเพื่อมันอยู่เฉยๆโยมอ่านหนังสือครูอาจารย์ไม่ได้นั่งให้ไปสวรรค์ไปนรกไปที่ไหนอ๋อให้มีสติให้มันอยู่ก็อุเบกขาให้อยู่สักแต่ว่าโลโอเคค่ะพระอาจารย์ค่ะโยมก็ปฏิบัติต่อค่ะพระอาจารย์ทําใหม่ค่ะแล้วถ้าถ้าก้าวหน้าไปกว่านี้เยอะๆโยมจะรายงานพระอาจารย์อีกรอบค่ะ มันจะก้าวไปไหนนะมันถ้าก้าวไม่แสดงว่ามัน kind of ยังไม่ถึงที่ยังไม่ถึงท okay. evet> uh ี่ถ้าถึงที่มันไม่ก้าวไปไหนนะมันก็อยู่เฉยอืมค่ะโอเคค่ะพระอาจารย์ยมเอาใหม่โยมจะให้นั่งนานกว่าเดิมค่ะค่ะค่ะกราสาธุค่ะพระอาจารย์เพื่อเล่าค่ะท่านขันนะคะอ่าอ่าไปที่คุณฟางว่อะไรอันนี้ไปจำสิ่งนี้ไหนเนี่ยใส่ชุดขาว อ๋อไม่ค่ะ ม, มางทีหนูหนูมาจังหวัดน่านค่ะอ๋ออยู่น่าน <ลด S 1> นช่ น, น้ำรุดแล้วแลน้ำรถดราค่ะตอนแรกกะว่าจะไปนอนที่อมเภอเมืองค่ะแต่ว่ามันก็เขาก็ยังไม่ไม่เรียบร้อยกัคะมีความสุดสมเยอะก็เลยขับรถไปไดืเอยค่ะมานอนแถวแถวาวังผาค่ะเป็นพวกแบบโฮมเตย์โฮมสเตย์มเยเป็นที่นาก็<อ> เนี่ยพอดีเลยค่ะเดี๋ยวได้นั่งสมาธิกเงียบดีไหมที่เงียบค่ะเป็นทุ่งนาโล่งๆเลยค่ะแล้วก็มีน้ําน้ําไหลผ่านข้างๆเป็นแม่น้ําอ่ะแลก็จุดไปกับครอบครัวค่ะก็มีไปส่งลูกลูกสาวที่ที่เชียงรายค่ะจะไปเรียนแล้วค่ะก็เลยได้ได้แวะแวะมามาม า, มาเที่ยวสักหน่อยนึงแต่ว่าก็เป็นเที่ยวที่ ท, ที่ที่แบบได้ได้อยู่กับธรรมชาติครับอืมค่ะ เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ถ้ากลงคืนก็จะไปนั่งต่อโอเคจ้ะครับขอบคุณค่ะไปที่เป็นกอา์ฟสุราษฎธานีเป็นไงน้ำหนักไม่ยอมลดเลยสังเกตเลยเป็นสองทรงแล้วขึ้นอยูย่ไปดูอ่ะพูดมนาะไม่มีอะไรครับช่วงนี้ ต้องไปรับส่งคุณพ่อครับตอนเช้า8โมงกับ2ทุกไปโรงคราบืลยุ่งเกี่ยวอะไรกับการปฏิบัติของเราเราไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ครับอาจารย์อาจรกทก็ <c oughs> มีทำอะไรก็จะ <c oughs> มีสติไปกับการทำงานของเราไปสิก็ได้ปฏิบัตินะได้เจรนนิญสติโอ้อวเยวแล้วรับ เลียงค่อยไปหน่อยนะพูดดังหน่อยได้ไหมถามมาเยอะแล้วครับอืมเพรไม่ค่อยได้ทําครับอืมไม่ยาวฝึกสติแต่ยังนั่งสมาธิไม่ได้ก็ให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวการทํางานของร่างกายครับสมาธิเมื่อกอนนั่งนั่งได้ดีครับแต่ว่าพอเลิกนั่งมันก็เลยไม่ไม่ขี้เกียจนั่งครับอืมชอบคิดนะกิเลมันชอบคิดมันไม่ชอบหยุดคิด แล้วไม่ได้คิดนอนสะไอื่นอัะแต่โก็นั่งได้ครับอาจารย์เพราะว่าเรไม่ได้ทํามาทํางานเยอะแล้วก็คือเวลาทำสมาธิตอนที่ทําก็คือต้องคอนเซนเทรตกับสมาธิทั้งวันนะครับไม่ได้คิดไปไหนเลยก็เลยนั่นได้พอทำงานแล้วมันก็ปติดยากติดความคิดไปเลยยี่เรื่องงาน พอหยุดงานก็ยังความคิดก็ยังคิดต่อ ไ, แไปแต่เอ็นาอปแมทกตคิดตลอดเนะวลาขึ้นแล้วแต่เรานะจะคิดและหยุดคิดก็เป็นเรื่องของเราถ้าคิดกบฟุง้งถ้าหยุดคิดก็สบายสงบเพราะเราหยุดคิดก่อนช่ครับโ อ, อเคนะมีอะไรไหมถามว่าหายไปไหนครับพวกมาลายนานตัวแล้วเจอกัน อ, <Okay. S 2> อาจารย์อวสยอืมกิน้น้อยหน่อยนะอาจารย์ครับโอเคคุณพ <c oughs> านุต okay. า, ณ, า, ณ, า, ณ, าณุอยู่ที่ไหนข้างแรกหรือเปล่าอยู่ที่ฟลอริดาค่ะอาจารย์ยมเมงอะไรเมืองแจ็กสันวิวเจ้าค่ะ ตอนนี้ตอนนี้นอนไหมยากนอน่อี้ออร้อนร้อนมากเลยค่ะแต่ว่า<ม>อยู่ได้ค่ะ<ม>อยู่ได้พอดีไม่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะอาจารย์น่าจะเป็นครั้งที่ครั้งที่สา ม, มก่อนหน้านี้โทรมาจากเมืองออส่ ม, มาจากเมืองไทยแล้วก็<ม>พึ่งได้ทุนเพึ่งมาอยู่ที่นี่เป็นรีเสิร์ชสกอลาที่โรงพยาบาลเมโยเจ้าค่ะอืมปีนายไม่มีกำหนดเวลานานแค่ปีเดียวเจ้าค่ะ ปีเดียวนะใช่ค่ะมันทาวิจัยเกี่ยวกับอะไรมาเร็งเต้านมเจ้าค่ะอืมบนกระติทํางานที่โรงพยาบาลนี่กรุงเทพนะใช่ค่ะเอ่อปทุมธานีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เจ้าค่ะอืมมเป็นทุนของใครทุนของโรงพยาบาลเข้าไหมทุนของเอ่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอืมก็ดีได้เรียนวิธีรักษาใหม่ๆมะ รักษาคนไทยแล้วค่ะดีดีมากๆแล้วก็ได้มาเห็นมุมมองต่างๆของของที่นี่ค่ะเป็นครั้งแรกที่มาไปอยู่ที่อเมริกาเลยเออน่าจะถ้ามาอยู่นานๆนี่เป็นครั้งแรกเจ้าค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เคยมาอยู่แบบเดือนนึงตั้งแต่ตอนสมัย เ, เป็นนักศึกษาค่ะอืม มีคำถามอะไรไหมอยากจะรู้อะไรไหม อ, อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าก็ฝึกสติแล้วก็ยิ่งพอย้ายที่อยู่มารู้สึกว่าทุกอย่างมันสงบนิ่งแล้วก็เราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยแต่ว่ากลับรู้สึกถึงความบีบคั้นอยู่ข้างในตลอดเวลายิ่งนิ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความรู้สึกว่ามัน มันบีบมันทุกข์มันทุกข์เหลือเกินอย่างเนี้ยจากข้างในเจ้าค่ะก็เลยอยากจะเรียนถามเจ้าค่ะกอเห็นกิเลสไงกิเลสเป็นตัวบี่ยขั้นเรากิเลสมันยังอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากทํานู่นอยากทํานี่อยู่เพราะเราให้มันอยู่เฉยเฉยมันก็เดินก็ลองเห็นทุกข์เห็นอริยสั์ทุกข์ในใจเราเห็นต้นเหตของความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆที่เราต้องหยุดความอยากให้ได้ ถ้าหยุดความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดในใจเราก็จะหายไปทำไมงานจะอยู่ความอยากก็ต้องถานตัวเอง ก, กำลังอยากอะไรเช่นอยากไปข้างนอกไปก็ได้อะไรกลับมาไปแล้วก็กลับมาก็เหมือนเดิมนั่นก็อยากจะออกไปอีกก็อย่าอยู่อยู่ไว้ติดที่สู้อย่าไปทําตามความอยากดีกว่าพอเราหยุดฝืนความอยากได้ความอยากห ย, ยุดทํางานใจเราก็สงบมีความสุข อยู่กับที่ได้ไม่ต้อง ไ, ไม่ต้องไปทําตามความอยากต้งแต่ไปความอยากที่อยากจะออกไปข้างนอกมันก็จะน้อยลงไปจนกระทั่ ง, งหายไปเลยถ้าเราไม่ทําตามความอยากเราก็จะ อ, อยู่กับที่ได้แสดงว่าเราได้ความสงบพอสมควรที่จะสามารถเห็นความบีบคั้นของใจไนดะ้เห็นเห็นความทุกข์ในใจ เดี <Okay. S 2> ๋ยวเราต้องวิเคราะห์แล้วพอเรามีความทุกขในใจแล้วก็ถามตัวเราเองว่าตอนนี้ใจอยากได้อะไรอยากจะทําอะไร mm hmm. เราไม่ได้ถามมันก็เลยแสดงอาการบีบขั้นขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาสิ่งที่เราทํามันก็เป็นความสุขชั่วคราวไปแล้วปั๊บมันมากลับมามันก็หมดไปเราก็ต้องไปอยู่เรื่อยๆสู้ฝืนความอยากดีก่าอยู่กบที่ดีกว่า พอความอยากได้ต่อไปความอยากมันก็จะไม่มาบีบคั้นเราอีกต่อไปแล้วก็จะอยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องไปไหนพอใจไหมเจ้าค่ะอใจอริยรรสัจสี่นะทุกส ม, มุทัยนี้รมุมแรอาการบีบคั้นที่เราทุกทุกใจถ้าส ม, มุทัยคือเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยาก กามาตัญหาอยากเสพกามหรือเปล่าอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสหรือเปล่าอยากดูอยากฟังอะไรหรือเปล่าอยากกินอยากดื่มอะไรหรือเปล่าอยากมีอยากเป็นหรือเปล่าอย่างาาอยกไม่มีอยางไม่เป็นสามตัวเนี้ยมันจะมาบีบขั้นใจเราให้เกิดความความบีบข้ามใจเราก็ต้องใช้ปัญญามาวิเคราะห์ว่าสิงที่มันอยากมันทําให้เราสงบทาให้เราสุขไปอย่างยั่งยืนถาวรหรือเปล่าก็ไม่ระดับชั่วข่าว อยากไปทำอะไรพอได้ไปทําเสร็จเดี๋ยวก็เบื่อเบื่อปาเดี๋ยวก็พอกลับมาอยูบ้านเดี๋ยก็อยากจะไปมันก็ไม่มีวันจบเราไม่ได้เป็นความสุขอย่างยั่งยืนดาววันไม่ไดความสุขชั่วคราวที่จะคอยมาสร้างความอยากใหม่ๆให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราฝืนความอยากได้ไม่ไปทางดาววันความอยาก ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทํานังก็อยากพอความอยากมันหยุดปั๊บใจเราก็หายจาอาการบีบขั้นใจเราก็สงบ อ, อยู่อย่างอยู่เฉยเฉยยังมีความสุขไม่ต้องไปทําอะไรแสดงว่าที่รู้สึกบีบคั้นทั้งทั้งที่ไม่มีความคิดอะไรกําลังนั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์อยู่แต่อยู่ๆก็เห็นความบีบคั้นมาก็มีเหตุแห่งความทุกข์แล้วก็ จำเป็นต้องดักจำเป็นต้องใช้ปัญญาพิจารณามันให้ทันใช่อาจจะอยากจะเริ่มนั่งก็ได้ความอยากเริ่มนั่งก็อย่าไปอย่าไปแรกนั่งต่อไปนั่งนั่งดีกับเลิกเลิกไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็เบื่อกันเดี๋ยวก็วุ่นวายใจก็ต้องกลับมานั่งใหม่ไปนั่งไปต่อไปไดีไปอย่าไปทําตามความอยากอนั่งต่อไปถือความอยากได้ความอยากนั้นก็หายไปอาการบีบพันก็หายไปนั่งต่อไปได้สบาย ใช่ใ จ, ใจเห็นตามแล้วก็จะลองไปปฏิบัติแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้มากขึ้นเจ้าค่ะ อ, อดีค่ะถ้ามีทุกข์ต้องใช้ปัญญาถ้าไม่มีทุกข์ก็ไม่ต้องใช้ปัญญาใช้สติกํากับใจให้นิ่งให้เฉยไปก็พออแล้วค่ะเข้าใจเจ้าค่ะหมดคําถามแล้วค่ะสาธุสาธุได้ค่ะ ไป้วคุณนะโอเคไปดี่ยกุณยาญาณนาถ้าอานผิดัหขออภัยน่อยานัญญาใช่ไใช่ค่ะจ้าค่ะชอยานัดญาเ้าค่ะอยู่ที่บูน่าคาคารานใช่ยเจาค่ะอาจารย์คราวที่แล้วที่พระอาจารย์แนะนำสั่งสอนนะคะก็ตลอดทั้งอาทิตย์พยายามปฏิบัติตามที่พระอาจารย์อยากคือเจริญสติ ให้ได้มากที่สุดก็ทำกายานุปัสนาแต่ว่าบางทีใจมันลอยเราก็กำหนดอริยบทได้ไม่เจ้าค่พระาจารย์เพื่อให้เขาอยู่ตรงนั้นอย่างถ้าเราทำงานบ้านเราล้างจานดูแลเอาก็เผื่อไปคิดก็จะบอกตึงว่าล้างจานอยู่ตรงนี้แล้วก็พยายามสัมผัสถึงสิ่งที่เรา กายที่เราไปกรปะทบอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็พยายามทำให้ได้ทั้งวันแล้วก็รู้สึกใจิตใจสงบ ข, ขึ้นแล้วก็เมื่อก่อนนี้คือเราอยู่ทางโลกเราก็อยากประหยัดเวลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เวลาเราทำใช่ะคะ่ะคือเราจะฟังพอดแคสต์หรือฟังอะไรที่เราคิดว่าเราเป็นคลราวาสเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้ เรื่องแบบนี้แต่จะไม่ค่อยชอบฟังข่าวนะจค่ะจะฟังพอดแคสต์แ บ, บที่แบบเป็นการพัฒนาทักษะที่เราต้องใช้ทางโลกแต่พอเราได้ข้อมูลเยอะบางทีมันมันมันทำให้ใจเรารับข้อมูลมามากเกินไนมันก็ไม่สงบอะเจค่ะมันไม่สงบก็เลยอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือไม่ฟังเลยไม่จับโทรศัพท์เลยแค่ดูเฉพาะสิ่งที่เป็นจำเป็นคือทุระ มีเขียทุระหรือว่าอ่านธรรมะพระอาจารย์ในเฟซบุ๊กอะค่ะแล้วก็เห็นความคิดของตัวเองเยอะขึ้นพอใจมันสงบเราเห็นว่าปกตเิเรามีความอยากขนาดนี้เลยเหรอคือเห็นว่าจะบมันมันเกิดความอยากขึ้นมันเป็นความอยากเล็กๆน้อยๆแต่มันผุดขึ้นมาทั้งวันเลยอจโตค่ะพระอาจารย์ ก็เมื่อก่อนเคยคิดว่าตัวเองแต่ถ้าเทียบกับสมัยก่อนที่จะมาศึกษาทรมาเนี่ยก็ดีขึ้นเยอะนะเจ้าค่ะคือมีความอยากน้อยลงแล้วก็มีความเข้าใจว่าเราเกิดมาทำไมแล้วก็รักความสงบนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไร แต่พอมาศึกษาธรรมฟังธรรมเอาเราเข้าใจจริตเราแล้วว่าว่าว่าเป็นอย่างไรแล้วก็พยายามเจริญสติอย่างที่พระอาจารย์สอนแล้วก็ถ้ามีเวลาก็นั่งสมาธิก็บริกรรมบริกรรมอาจจะแบบช่วงที่เราเหนื่อยจากการทำงานบ้านสิบนาทีอะไรอย่างนี้คะ่ะพระอาจารย์ก็ทำให้ใจมันสงบขึ้นไปอีก ก็รู้สึกดีแล้วก็จะปฏิบัติต่อไปก็คือไม่ทําอะไรสองอย่างและทําอะไรก็จะจดจ่อสร้างวิสัยให้อยู่กับสิ่งเดียวใช่แล้วค่ ะ, ะเร ง, เรงใช่เจ้าค่ะคือเมื่อก่อนอ่ะเราทํางานบ้านบางอย่างเราก็คืออยู่บองไทยเราไม่ค่อยทําค่ะอาจารย์พอขอสามภาำพรเพราะว่าโตมาก็คือมีคนช่วยทําตลอด แล้วมันบางทีมันเหนื่อยเหนื่อยกายแต่มันไม่ได้ทุกนะคะมันมันโครงสร้างเรามันไม่ได้บึกบูนแข็งแรงเราก็เลยชอบฟังธรรมะแล้วก็ฟังอะไรที่เราชอบเพื่อแบบเหมือนกับให้มันอาจจะดิสแทร็กหรือเปล่าคุณพ็คงเป็นอย่างนั้นเหมือนเพิ่มความสุขจากการฟังแล้วก็ทำอย่างอื่นไปด้วยแล้วเมื่อก่อนก็คือจะเห็นจิตเราว่าเราจิตเราเนี่ยอยู่กับ งานปัจจุบันแล้วก็แวบไปฟังแล้วก็อยู่กับงานปัจจุบันมันไปไปกลับกลับไปไปกลับกับค่ะอาจารย์ก็ตอนนี้ก็พยายามสร้างนิสัยใหม่คือทำอย่างเดียวแล้วเพื่อให้จิตมีมีสติมีสติมีส ต, สติแล้วก็เคยจำความรู้สึกได้ครั้งนึ่งค่ะคือเคยมีเคยฟังธรรมะแล้วก็ได้ทราบว่าวถ้าการมีสติอย่างต่อนเนื่องเนี้ย ทำไปแล้วจะเกิดความว่างก็ไม่เคยเข้าใจว่าแล้วคือเข้าใจความสุขจากการนั่งสมาธิแต่ไม่เคยเข้าใจความว่างจริงๆจนมีเหตุการณ์คือได้เซ็นเอกสารที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอาจารย์แล้วถ้ามือเนี่ยมันไปโดนนิดนึงเนี่ยมันมันจะต้องเริ่มใหม่ด้วยความเกรงใจคนที่เขาเอามาให้เซ็นเราก็จดจ่อมากๆ แล้วก็เลยเข้าใจว่าออกความว่างมันเป็นแบบนี้คือไม่รู้ว่ายกลูกเข้าใจถูกไหมนะคะว่าความว่างคือการมีสติที่ตั้ง ม, มั่นในระดับที่ลึกพอสมควรและต่อเนื่องย า, ยาวยาวนานพอสมควรให้มันเป็นสัมปชัญญะหรือเปล่าเจ้ า, าพระพาราณีถูกต้องเเพราะว่าไม่เคยรู้จักความเคยรู้จักความสุขคือเหมือนกับว่าถ้าละถ้าตาเราไม่หลับอ่ะ เราจะไม่สามารถเข้าถึงความสงบได้แต่อันนี้เข้าใจแล้วว่าถึงแม้ตาจะลืมอยู่แต่ว่าเรายังสัมผัสความว่างได้ค่ะได้ไดที่สติถ้าสติตอนนี้มันก็หยุดความคิดต่างๆได้แล้วเป็นวความอมันเป็นความสุขที่ดีมากเลยที่แบบคราวนี้เราไม่ต้องรอความสุขจากการนั่งสมาธิอย่างเดียวเพราะเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกทรมานมากเพราะว่า อยู่ที่นี่มันมันมีหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะมากแล้วมันหาเวลาที่เราจะไปนั่งสมาธิอะ <Yeah. S 1> ค่อนข้างยาก hmm. แต่ว่าถ้าทำตามที่พระอาจารย์สอนเนะ่ hmm. แล้วเราฝึกให้ใจเราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง hmm. ให้ให้ตั้งมั่นและนานเป็นสติสัมปชัญญะเราจะได้สัมผัสความว่างนั้น hmm. ก็รู้สึกว่าเออเรามีอีเรามีอีกทูหน hmm. hmm. ึ่งที่ ช่องทางเลยใช่ค่ะที่แบบจะได้สัมผัสถึงความสุดแบบความสุดที่ไม่ต้องนั่งเฉยๆทีเราทำไปให้มีสติโยมงานที่เราทำไปใช่ต้วค่ะใชแลัวค่ะก็ดีใช่อันนี้เกิดขึ้นได้บางคนเดินจยกลมไปไม่คิดอะไรจิตก็สว่างเย็นสบายมีพลังเดินได้เป็นชั่วโมงเลยก็มีค่ะอาจารย์ ก็ก็รู้สึกว่าจะพยายามีสติให้ตลอดเวลาเลยอยู่กับร่างกายตลอดเวลาเลยใช่แต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นอาจจะไม่ได้ชํนานาญใจมันก็ลอยแบบเรารู้ว่าเดี๋ยวก็ลอยอีกแล้วเนี่ยใช่ค่ะแต่เราก็พยายามจะดึงกลับมาก็คือบอกกับตัวเองบางทเรากําหนดอัลยาบทได้ไหมคะพระอาจารย์ในช่วงแรกแรกได้ เดินก็เดินยืนก็ยืนให้รู้อยู่ใช่ใช้ค่ะแล้วก็พยายามแบบบอกตัวเองว่าเรากําลังเดินอยู่นะแล้วก็ให้ให้ใจเราอะไปรู้ถึงสัมผัส ข, ของเท้าที่สัมผัสกับพื้นหรือซ้ายขวาซ้ายขวาไปค่ะหรือว่าถ้าเราพับผ้าก็จับดูว่าอาผ้าเขาอุ่นนะเรากำลังพับให้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อันนี้ค่ะ ก, ก็สอนใจก็หวังว่า ถ้าเราทําไปเรื่อยๆเหมือนยกเวทกล้ามเนื้อเราตรงนี้มันคงค่อยๆแข็งแรงขึ้นตั้งมั่นขึ้นอยู่ได้นานขึ้นค่ะพระอาจารย์สติเนี่ตัวสําคัญที่สุดพยายามฝึกสติให้ได้ตลอดเวลาทั้งวันแล้ว จ, จ, จะทำะํำในใจก็จะว่างจะเยน็นจะสบายนั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ค่ะพระอาจารย์ใช่ <Okay. S 1> ดีมาก ทำต่อไปค่ะพระเจขอบพระคุณค่ะไม่มีคําถามอะไรนะค่ะพระเจ้ามีอะไรจะสอนเพิ่มเติมไหมครับค่ะก็ทำอย่างนี้ไปก่อนสติให้มันอย่างที่ยโยมบอกให้เป็นสัมปะชะยะให้มันต่อเนืงค่ะ<อ>ถ้ามันเผลอก็เดินกลับมาใหม่ถ้าเผลอไปคิดอย่างนั้นอยนี้นนก็เดินกลับมาที่ร่างกายใหม่ค่ะพระเจา้าโอเค ค่ะพระอาจขอบพระคุณพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะไปที่ญี่ปุ่นโกเบวันนี้ไปงนตื่นเต้นไหมสุนามิยุบถึงถึงถึงที่เราอยู่เปล่ามาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่ไม่ถึงไม่มาไม่ถึงค่ะพระอาจารย์พอดีพงนุ้ยอีกฝั่งนึ่งค่ะยูนูอยู่อีกฝั่งแล้วก็อยู่ข้างในอ่าวอ่าวโกเบค่ะพระอาจารย์มันก็มีอะไรให่กันเยอะแยะเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์อืม ที่ญี่ปุ่นนี่มีว่ามีส่วนไหนที่โดนเคลื่อนใหญ่ไหมมีไหมก็เห็นที่ฮอกไกโดนะคะที่มาแบบมาเรื่อยๆอะค่ะอ๋อส่วนนั้นนะคะที่มาเรื่อยๆเลยแต่ไม่ใหญ่เท่กับทําลายเข้าของอะไรต่างๆโ็ก็ไม่ถึงขนาดที่ทําลายเข้าของเยอะจ้ะค่ะอาจารย์ก็มาเป็นละลอกละลอกคือไอ้ละลอกหลังๆก็จะสูงขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยจ้ะค่ะพรอาจารย์แต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าแบบค น, นบ้านซ้อนรถยนต์ไปยังไม่ถึง เอาไม่ไม่ถึงขั้นนั้นค่ะแต่มันก็มีข่าวนะคะที่แบบว่าคนที่เขาพานิชแบบรีบจะไปขึ้นที่สูงแล้วแล้วขับรถไปแล้วไปตกตกถนนตกหิวเนอะไม่มีสติก็ไม่มีสติก็ออกข่าวก็ว่าโอ้ยทำามคุณป้าทําไมเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างงี้หนีแต่เ้าว่าแพนิกก็แสดงสติหายหมดแล้วเหมือนแต่ความกลัวอย่างเดียวค่ะเราฝึกสติไว้ดีจ้ะค่ะ ถ้อยย้ำใจให้เฉยจะทำอะไรก็ให้รอบ้อบแล้วก็จะปลอดภัยอนูวันนี้ก็ไม่มีคำถามเจ้าค่ะก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะอาจารย์โอเคดีสาธุคุณตายยคุณตายเป็นไงกลับบ้า น, นยังยังอยู่ที่ทำงานอยู่อยู่ที่ร้านอยู่อ่าได้แล้วดได้แล้วค่ะ ก็กลับมาบ้านแล้วค่ะนั่งฟังพระอาจารย์จากข้างนอกมาพักหนึ่งนึกว่าวันนี้จะไม่ได้เข้าแล้วคะ่ะค่ะก็ช่วงนี้ก็นี่แหลคะค่ะก็ทำงานทางานส่งตังไปให้ทางชายแดนนะคะพระอาจารย์ก็ช่วยเหลือกันค่ะมีเพื่อนอยู่ที่นาดี เป็นวิศวกรเพื่อนของยมโยอะค่ะรู้จักกันดีแต่ว่าเขาไปกลับไปไม่เป็นวิศวก ร, กรแล้วไปทำนาแล้วก็ไปเหมือนกับไปช่วยเกษตรกรทางนน้นนะคะพระอาจารย์น้องเขานี่ใส่ดีมากเลย <idad> ยมก็โทรไปถามว่าเขาเป็นอะไรไหม <S <s เขาบอกว่าก็ก็ <S <s เป็นก็ตอนนี้ช่วยเหลือผู้อบพยพมาก็ยมก็ช่วยเขาทุกวันละคะตอนนี้ก็คือทางานหางเงินส่งให้เขา ช่วยเขาบ้างถ้าเขาขาดเหลือก็ส่งไปให้แล้วก็ลูกน้องที่ที่อยู่ด้วยกันเขาเป็นขเขมรเขาก็ลากับบ้านร้องไห้อยากกลับบ้านน่าสงสารมากเลยคะ่ะพระอาจารย์สงครามนี่ไม่ดีเลย mm hmm. เขาบอกว่าเขาต้องไปดูลูกเขาโยมก็หาซื้อยาให้เขาพกยาไปเยอะๆบอกก่อนจะข้ามชายแดนก็ก็ดูเอาข้ามไปไหน ข้ามไปแล้วก็พาลูกหนีไปให้ไกลๆโยมก็สงสารเขานะคะพระอาจารย์คนเราคนเราก็รักตัวกลัวตายเนาะทาไมต้องกลับบ้านตอนสงครามโยมก็สงสารเขาก็สง่งส่งเข้าไปแล้วก็อาตราให้เขาเพิ่มไปก็ตอนนี้ก็ทำงานส่งข้อส่งข้อทหารสง่สงข้อคนอพยพทำได้เท่าที่ที่เราทำได้ค่ะพระอาจารย์<อ>ก็คิดว่าอย่างนี้นะคะ่ะ ทำตามกำลังของเราใช่ค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ให้เบียดเบียนตัวเองมากแต่ก็แต่ก็ทําพยายามทําเห็นน้องเขาโพสหาปลาแห้งวันนี้โยก็ไปหาซื้อปลาแห้งส่ง<ม>ให้เขาใช่ค่ะพระอาจารย์เขาบอกว่าทางโน้นมันกันดานมากแล้วก็ไปขอทางภาครัฐส่วนที่น้องเขาอยู่อ่ะมันมันไม่รู้ว่า ห, าหออ่างไกลหรือยังไงนะพระอาจารย์<ม>ภาครัฐ<ม>ถ้าจะเข้าไปไม่ถึงเขาต้องดินน้นรนหา ก, กินกันเองอืม ยก็ต้องหาเนี่ยค่ะวันนี้ก็ไปไปซื้อหาซื้อปลาส่งให้เขาฝากอีกคนหนึ่งส่งไปแล้วก็ส่งตังไปให้ค่าปลาอะไรเงนี้ค่ะอาจารย์แต่ทำแล้วรู้สึกภูมิใจแล้วก็ใช่ค่ะมันภูมิใจที่แม้เราจะไม่ได้ออกรบหรือว่าอะไรเรายังได้ทำเพื่อเป็นกองหนุนให้ทหารหรือว่าให้คนเจ็บคนป่วยในพื้นที่ในประเทศไทยของเรา ยมยมภูมิใจอะคะ่ะพระอาจารย์อันนี้ก็เป็นบุญเนี่ยความสุขใจก็เป็นบุญไม่จำเป็นจะต้องทํากับวัดทำกับพระอย่างเดียวทำกับใครใก็ได้ทําความดีกับใครก็เป็นบุญทั้งนั้นใช่ค่ะโยมไม่คิดมากเลยโยมแบบทํางานวันนี้ได้กําไรเท่าไหร่เอาที่มันเอาที่มันแบบไม่ไม่ไม่ถึงกับเฉือน ต, ตัว เ, <ร>เองเรหรือว่ า, าไม่เสียหายเดือนนั้นก็โอเคใช่ค่ะยมก็ทําตามกําลังของโยมนั่นแหละแต่ว่าก็จะคิดว่า คิดว่าจะทำไปเรื่อยๆค่ะพรอาจารย์ก็ก็คิดว่าค่ะว่าอาจารย์ดีสาธุจ้าค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะอาจารย์โอเคอย่าลืมสติสมาธิด้วยนะอ๋อก็ทําทุกวันเลยค่ะพอาจารย์ทําทุกวันเลยไป่ดาทานอย่างเดียวเลืมสติริืมสมาธิไม่ค่ะก็ดีใจที่ตัวเองนั่งได้เร็วขึ้นแล้วก็ เช้าขึ้นมาก็ขับรถไปทำงานใช่ไหมคะก่อนเปิดร้านโยมก็จะนั่งทุกวันเลยตอนนี้นั่งถึงแม้ว่าจะเหลือเวลาสักสิบห้านาทีหรือสิบนาทีเนะี่ยโยมนั่งแล้วรู้สึกว่าจิตใจมันไม่ออกไปไกลตัวคาารัพอาจารย์รู้สึกว่ามันวุบเข้ามาคือเข้าข้างในเร็วเร็วเหมือนกันแต่มันยังไม่ได้ไปถึงไหนนะคะแต่มันบอกตัวเองว่า แค่เวลาสิบกว่านาทีเนี้ยมันเวลาถึงนั่งนานเหมือนที่พระอาจารย์บอกถ้านั่งนานแต่สติไม่อยู่กับตัวเองอ่ะมันก็เหมือนไม่ได้นั่งยมก็ใช้เวลาสิบสิบบางทีถ้าเหลือเวลาสิบห้านาทีสิบเก้านาทียมก็บอกว่าสิบเก้านาทีเนี้ยต้องมีคาบริกรรมพุทโธตลอดเลยห้ามให้มันหลุดยมก็บังคับตัวเองให้เป็นอย่างนั้นนะคะพระอาจารย์แต่มันแต่มันดีดีก็กเดิมเยอะเลยค่ะเหมือนจะเหมือนจะก้าวหน้านะคะแต่ว่าก้าก้าวแล้ว ทำไปเลยนะคะขอบพระคุณกำลังใจค่ะพระอาจารย์ต้องวังเลยค่ะจากผองเอ่อน้องเงินต่อน้องเอินเป็นยังไงอุ่นไวไหมได้สงบเฉยเฉยอ่าเฉยเยค่ะพระอาจารย์ก็รับรู้รับทราบข่าวสารค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรกับเอิงเออดีถูกต้องสากต่ว่ารู้ ค่ะพรอาจารย์วันนี้มีสองเรื่องค่ะที่จะอยาคุยแล้วก็ถามพรอาจารย์ค่ะเรื่องแรกคืออาทิตย์ที่แล้วค่ะพรอาจารย์บอกว่าให้อองถามเอไอว่าถ้าเราเจอซากศพอ่ะเราควรพิจารณาอย่างไงซึ่งซึ่งมันตอบมาให้พิจารณาห้าข้อเลยค่ะพาอาจารย์ ม, มันบอกว่าแบบข้อแรกให้พิจารณาความไม่เที่ยงค่ะว่าร่างกายนี้แม้จะสวยงามแข็งแรงหอมสะอาดเพียงใดในที่สุดก็ต้องแตกดับ ซากศพช่วยให้เราเห็นความจริงว่าไม่มีสิ่งใดอยู่คงที่แม้แต่ชีวิตเตือนให้เราไม่ลหลงไหลในรูปร่างความสวยงามหรือวัยเยาว์ของตนค่ะแล้วก็ข้อที่สองให้พิจารณาความทุกข์ก็คือทุกขังว่าชีวิตเต็มไปด้วยการเสื่อมสลายและการพรากจากสิ่งที่รัก แม้ร่างกายนี้จะดูเราจะดูแลดีเพียงใดก็ไม่พ้นความแก่เจ็บและตายค่ะการตายของคนอื่นสะท้อนให้เราระลึกถึงความตายของตนส่วนข้อสามให้พิจารณาความไม่มีตัวตนคืออนัตตาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราศพไม่มีใครเรียกมันว่าเราอีกต่อไปเมื่อจิตออกจากกายความเป็นบุคคลก็หายไป แล้วก็ข้อสี่ให้พิจารณาให้เกิดฉันทาในการปฏิบัติว่าชีวิตสั้นนักอย่าประมาทซากศพช่วยให้เราเห็นว่าเวลาในชีวิตมีจำกัดแล้วก็จะสามารถปลุกแรงใจให้เราใช้เวลาที่เหลืออย่างมีความหมายค่ะอย่างเช่นปฏิบัติธรรมส่วนข้อสุดท้ายค่ะข้อห้าบอกว่าให้พิจารณาเพื่อคลายความกลัวจากความตายค่ะว่าตายแน่ แต่ตายอย่างไรจึงจะไม่เสียชาติเกิด AI มันตอบไปดูเขาเกมากดีทั้งหมดดีทั้งห้าข้อเลย <c oughs> อมันจะเก็บ<า>บันทึกเอาไว้ค่ะ<า>แล้วก็วันนี้ค่ะแบบอีกคำถามหนึ่งอยากถามพระอาจารย์ค่ะว่าแบบสมมุติไม่ได้สมมุติคือ ทุกวันเนี้ยค่ะเอิงก็ต้องมีการพูดคุยหรือพูดกับผู้คนใช่ไหมคะถึงแม้ว่าโอเคคนในชีวิตจะน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าหลักการในพุทธศาสนาค่ะเวลาเราจะพูดอะไรออกมาอย่างเงี้ยค่ะหลักการหนึ่งที่เราไม่ควรลืมเลยคือพูดจริงกับมีประโยชน์เท่านั้นหรือเปล่าคะก็ใช่บางายายของการพูดกับเพื่อให้เกิดประโยชน์เราพูดฟังแล้วมันก็ต้เป็นเรื่องขอ ง, ของเป็นความจริงด้วย อย่าไปพูดเพ้อเจ้ออย่าไปพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันอย่าไปพูดคำหยาบเพราะมัาเป็นคำพูดที่ไม่ไม่มีประโยชน์ใจยังไงแล้วสมมติถ้า เ, ออเรารู้ว่าเราพูดโกหกแต่ว่ามันไม่ทำให้เขาไม่สบายใจอะเราโกหกอะไรเงี้ย แล้ว เ, เ, เรารู้ได้ไงว่าเขาไม่สบายใจแล้เขาสบายใจเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีของคนคน น, นนั้นก็อย่าพูดเั่านั้นสิก็คือไม่ตอบดีกว่าไม่ตอบกว่โกหกอ่าดีกว่าโ ก, ก้โออก ค, ค่ะาอาจารย์เพโกหกมันเป็นการแส ด, ง, สดงถึงคุณสมบัติของเราว่าเราเป็นคนโกหกต่อไปก็อาจจะไม่เชื่อคำพูดของเราก็ได้เพราะไม่ว่าพูดจริงนะพูดโกหกนะ แต่ถ้าเราพูดจริงตลอดเวลาเขาก็จะมีความเชื่ อ, อมันได้ว่าเราไม่เราพูดความจริงโอเคค่ ะ, ะจากนั้นเอองก็จะถือถ้าพูดความจริงแด<ล><ำ>้วตั้หุบปากไว้เฉยๆว่าเอองจะพูดจริงแล้วก็เป็นประโยชน์เท่านั้นขอบคุณค่ะโอเคดีมาก a อไอนี่ก็เก่งนะเป็นคนคว้าหาคำตอบได้ดี ใช้ได้ห้าข้อนี้เป็นเป็นสิ่งที่เอามาใช้ประโยชน์ได้เวลาเห็นซากศพให้คิดถึงความไม่สวยงามความไม่เทียมความไม่มีตัวตนความที่เรามีเวลาไม่ไม่ไม่มากในโลกนี้ถ้าเรารีบทําประโยชน์ให้มากที่สุดตอนที่เราจะจากโลกนี้ไปอันที่ห้าเลยนะลืไปแล้วอันที่ อันที่ห้าตายแน่แต่ตายอย่างไรจึงจะไม่เสียชาติเกิดค่ะอ่าตายแบบไม่กลับมาเกิดเนี่ยตายด้วยการฆ่ากิเลสให้มันหมดไปตัดความอยากให้มันหมดสิ้นไปดีเนี่ยไอบมงที่ก็ใช้ได้นะใช่ข่ะพระอาจารย์หนึ่งจะเก็บไว้พิจารณาตลอดค่ะอืมดีขอบคุณค่ะพระอาจารย์ลองาถามว่าวิธีพิจารณาสุภาพให้พิจารณาอย่างไร ได้ค่ะเจะอิงเทาเดี๋ยวทิตย์หน้ามาส่งเราดูดูเซจะดูเซจะสอนให้เราพิจารณาสุภาษอย่างไรแล้วอีกทอดนะคือวิธีพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารพิจารณาอย่างไรแล้วก็สุภาษก็คือร่างกายปฏิกูลก็คืออาหารที่เรารับประทานที่เราชอบเรากินอันเนี้ยทํายังไงให้เราเห็นว่ามันเป็นปฏิกูนทาให้เราไม่อยากจะกินขึ้นมา มากินมากกันไปได้ค่ะพ่อจ้าเดี๋ยวหนูจะส่งกันบ้านเดี๋ยวหนูจะส่งกันบ้านทุกอาทิตย์เหมือนน้องเจ็ดเจ็ดน้องทั้งสองขอบขอบคุณค่ะไปที่คุณแนนต่อแนนน้ำการธรรมสการ์ค่ะ้ดูไม่มีคาถามต่อค่ะไม่ไม่ถามอะไรมากเลเ่นไม่เป็นค่ะ โอเคดีแล้วก็คุณหมอคุณหมอสุทธินีเป็นยังไงสอบดีสงบสดีเจ้าค่ะไม่มีปัญหาอะไรเจ้าค่ะท่านอาจารย์โอเคดีมาก <S 2> <S 2> ขอบคุณค่ะที่น้องจอยต่อจอยจอยนี้ยังมีสงคราในบ้านอยู่เปล่า <S <S <S <S อาจารย์ไม่ยุติแลทีสงครามอันนี้ ค่ะแต่ว่าวันนั้นพระอาจารย์พูดหนูหนูได้สติขึ้นเป๊ะเลยค่ะอวันที่หนูไปใส่บาพระอาจารย์บอกยองหยุดเย็นหนูบอืกอึ่มปรงเป๊ะเลยค่ะอยอมยอมแพ้งมันมันมันก็ดีขึ้นแต่ว่าอยากออกอยากไปไปอยากมีเวลาไปวัด huh. อีกมัน <Ole> ก <devant, S 1> uh. ็จะดีขึ้นผลนี้อีกค่ะอก็ดีแต่ตอนที่ยังไปไม่ได้อยากไปอยากต้องใช้ใช้ต้องใช้ แช้สติสู้กับปัญหาอย่าไว้ในปัญหาอืมพอไปนั่นมันอยู่คนเดียวแล้วมันไม่มีใครอแต่มันไม่ได้แก้ปัญหามันหลบปัญหาต้องยอมหยุดเย็นเวลาเจอปัญหาต้องยอมหยุดเย็นถ้าเรายิ่งอยากมันจะยิ่งตรงกันข้ามใช่ปะ่ะแล้วแต่ว่ามันอยากยังไงเาว่ยิ่งอยากมาถึงไหมไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ไม่ยก็ขเป็นอย่างนี้แล้วเขายิ่งโผล่ ใช่ต้องปล่อยเขาคนะยอมยอมให้เขาเป็นไปตามเนืของเขาเขาจะเป็นสับ ป, ปะรดก็ไปให้ให้เขาเป็นสับ ป, ปะดปรดไปพยายามพยายามให้เขาเป็นกล้ยวยหนูก็พยายามแบบแบบเห็นจากพี่พี่กับ พ, พี่พี่เคยกับพี่สาวทะเลาะกันแล้วก็สุดท้ายก็ก็ต้องอยู่ด้วยกันก็เลยอยู่กันแบบไม่มีความสุข <c oughs> ใช่แล้วแล้วเราล่ะเราก็เลยไมานั่งคิดถึงตัวเราว่มามันแล้ ว, ม, ลวมันมีประโยชน์อะไรตรงไหนก็ ก็คิดอยู่แบบยอมนี่ค่ายอมมันเย็นสบายเพราะว่าสุดท้ายมันก็คือแค่เท่านั้นใช่ไหมคะก็ั่หละเราต้องการอยู่กันอย่างมีความสุขไงก็ต้องยอมกันถ้าไม่ยอมกันมันก็ตีกันนะฮะอ๋ออ๋อมันที่มอนไทย่อะก็ไม่นั้นนี่ก็ไม่ยอมมันก็ตีกันเลยใช่ค่ะว่านั่นหนูฟังค่ะมาพ่อจาน่ะหนูคิด เฮ้ยตรงกับหนูเลยแต่แต่ว่ามันก็มึบวกกับเรื่องใครกับขมิด้วยอืมค่ะ <c oughs> ในใที่จริง ก, ก็ต้องยอมเน่ยด้านนี้ยอมหยุดยิงกันเลเ้วเพราะูว่ายิงกันก็ก็เจ็บตัวมันบ่าไม่ไม่ได้อะไรขึ้นมาใช่แล้วก็ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ทำสงครามก็จะไม่เกิดการสูญเสียใช่ไหมคะใช่ <c oughs> แต่เขาแต่อย่างว่าธรรมะธรรมะคือดีที่สุดจริงๆค่ะอืมโอเคใช้ธรรมนะ <c oughs> ใช้หลักธรรม เมตตาคำจุนโลกบ<ร>บให้อภัยเดี๋ยววันพระไปใส่บาตรเหมือนเดิมนะคะโอเคอ่ผู้แป้เชิญผู้แป้กลับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะอาจารย์ได้ของนเจ้าค่ะของหนูก็ได้ของดีจากพระอาจารย์นี่แหละคะ่ะก็เลยไม่อาจถูกกายได้ตะ ก, กุดไปหรือเหรอได้ตะ ก, กุดไปได้โลเกตไหม พระอาจารย์คะเหมือนได้เพชรจากธรรมะนี่เลยครับเพชรเลยไม่ใช่ตะกุดนะโอ้ไม่ไ้ลไม่ค่อยได้อยากอะไรจากใครเพราะว่ามันเหมือนมีความสุขที่ได้ในจากการปฏิบัติธรรมนี่นะคะพระอาจารย์ลดแห่ถถงธะนะรรมจ้ะลดทั้งปวงใช่ไหมโลกค่ะพระอาจารย์แถมโลกภัยมันหายไปเลยนะคะ <S <S พระอาจารย์หนูก็เลยกลายเป็นเหมือนคนแข็งแรงไปเลยค่ะพระอาจารย์ ก็เลยแบบเจ้าค่ะใจมีพลังเจ้าโอก็เลยแบบว่าทํางานไม่แค่จะไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่เหนื่อยหรือเพียนะคะพระอาจารย์ก็เหมือนแบบมีพลังเยอะเลยค่ะพระอาจา่าเจ้าค่ะก็เลยโอก็เลยได้ก็เลยบไปได้เนี่ยเจ้วค่ะสาพูดเลยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยบอกโอ้โหของดีมากมากค่ะเพราะว่าแต่ก่อนหนูแบบ พบแพทย์แล้วก็กินแต่ยานะคะพระอาจารย์่อทำมโอษฐนะตูของดีเลยนะคะพระอาจารย์หนูก็แบบโอ้โหของดีจริงๆค่ะถึงแม่หนูจะเป็นพยาบาลค่ะพระอาจารย์แต่ว่าได้ของดีจากพระธรรมนี่ยหละค่ะพระอาจารย์หนูเจ้าโอเคเาเจ้าขาพระอาจารย์เครับคุณแม่อยู่ไหนอยู่น่ สวัสดีเจ้าคลาหลวงพ่อให้วันการไปเดินที่ไหนเออดีเห็นไหมมันอยู่ข้างล่าวันกานอ๋อพอดีวันนั้นเพิ่งรับปริญญาเสร็จออรับปริญญาที่มืองอะไรเนยจีที่ลอนดอนครับใช่แล้วเป็นไงกับที่นั่นเขเรียนแค่สามปีจะเป็นที่ปริญญาศิครับเรียนแค่สามปีครับเป็นต่อต่อโทรก็บังคับหรือเปล่าโทในเมืองครับไม่บังคับครับแต่ว่าจะต่อแต่จะกลับมาเรียนที่สเปน ก็เลยก็ได้ปีสองปีที่สเปนเอ่อมาสเตอร์ภาษาไทยปอโทใช่ไหม <Yes. S 2> ที่ที่เมืองไทยเอ๊ะที่สเปนปอโทรเรียนแค่หนึ่งปีเหมือ น, นกันหงปีเหมือนกันที่อังกฤษก็หนึ่งปีเนี่ยนะครับถ้าที่อเมริกาที่เมืองไทยยังสองปีหนละ่ะคือว่าเนียโตถ้าที่ถ้าที่จาได้นะปอตีก็สี่ปี ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันที่ยังที่ยังเป็นสังกิตเรายัางทําเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลอยู่อ่ะเรไม่ได้ทํำอะไรนี้ก็ยังทําอยู่ครับแต่ช่วงนี้ค่ยมีเยอะมากส่วห ญ, ญ่จะช่วยทางบ้านชมแต่ก็ยังพอมีบ้างกรับยังยังพอช่วยทีมชาติอยู่ทํำอะไรเกี่ยวโปรโมทนะแล้วว่าก็ช่วยสโมของฟุตบอลไทยเรื่องหานักฟุตบอลครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมาช่วยทีมชาติ มาจากมาจากอังกฤษเมาจากยุโรปตั่ว ย, ยุโรปแล้วเขามีเขาเขายินดีที่จะมาเล่นใี้เมืองไทยเนละมีมียินดีครับยินดีค <c oughs> ่าตัวก็ต้องแพงเลยนะเล่นนปรตัวก็ต้องแพงอะค่าตัวคนไทยนะ้าเท่ากัน <c oughs> ทีมชาติมันไม่เราไม่เขาไม่ต้องเสียเขาไม่ได้รับเงินเขา ไ, ได้แค่โปรอันอนี้เป็นสัญชาติไทยใช่ไหมใช่ครับแต่เขาก็ได้โปรเขาก็ได้โปรโมทมานในนี้ทีมชาติไทยแฟนบอลไทยเยอะมันก็ได้มันก็วินวินได้แต่เรื่องโปรไฟล์อะไรพวกนี้มันก็ดีสํญญาหรับเขาครับใช่แล้วเราก็ ด, ดีได้นะักบอลกเก่งมาช่วยนะครับแต่ก็ก็บอลเกิดที่ผ่านมาก็ไปวัดทําบุญพยายามปฏิบัติธรรมครับ ช่วงนี้เรียนพยายามมีเวลาว่างพยายามจะนั่งสมาธิมากขึ้นสดมากขึ้นครับนี่มีเงินเหลือใช้ก็เอาไปทำบุญทำทานนะให้คนเหลือเขามีความสุขบ้าง <c oughs> ทำตลอด <c oughs> <ถ>จะลด<ถ> <c oughs> ใจของผู้เฟื่อยลงนะใช้แบบธรรมดาดีกว่เอาเงินไปทำบุญดีกว่าได้ควาได้ความสุขมากกว่า หลวงตาซื้อวันนั้นฟังเทศหลวงตาหลวงตาบอกให้สมถะพักนณะไปนั่งรถเมล์หลวงพ่อจะ้ะพักมีอยู่เช้าหนึ่งแต่ก็ฟังคำหลวงพ่อแล้วก็เขาบอกโอ้คุณแม่วันนี้หลวงหลวงตาบอกว่าให้สมถะวันนี้หนูจะพาคุณแม่ไปนั่งรถเมล์ใช่ก็เวลาเราเดินทางสนุกดีนะครับที่ทบ้าน <S <S ที่ที่สเปนนะ บ, บางทีค่าแท็กซี่มันก็แพงใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ เท่ากันเวลามันทํากันถูกไปเยอะเลยก็ไม่มันต้องถือตัวจะต้องนั่งแท็กซี่นั่งรถเมย์ก็ได้มันก็ถึงเหมือนกันนั่นแหละเร็ฟุ่มเฟือยมันกินอาหารกันเหมือนกินอาหารข้างถนนกับกินอาหารในพับในบาร์มันก็อิ่มเหมือนกันแต่ราคาไม่ไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะผมก็ไปตอนที่สามีไม่ได้ไปด้วยอยู่กับสองคน แต่เขาอยู่ด้วยไม่ได้เขารู้ดุดุดดุดอุนนี้่าแม่ไปนั่งรถดุดดูโดนดุอ่ะก็สนุกดีซะค่ะคุณแม่ชอบเผยไหมว่าบอว่าคุณแม่ชอบครั้งแรกในีวิตที่นั่งรถเมีดูพระพุทธเจ้าท่านติดนินพระพุทธเจ้ามันจะเดินนะถ้าไม่มีรถอ่ะไ่ครับแม่แต่จะเป็นนิพพานได้ยังเดินไปเลยชอค่ะเวลาอยู่กัน คนเราไม่ได้ดีที่ดีที่ว่ารวยหรือดีที่ว่าตราไดใช้ของฟุ่มเฟือยใช้ของแผพงๆดีอยู่ที่ใจที่เป็นมีเสียสละมากกว่าเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะที่้านังเป็นในใจนะเจ้าค่ะไม่ไม่ขาดเรื่องเรื่องบุญก็ทำทัวโลกเลยเจ้ากีฬาอังกฤษสเปนฝรั่งเศส อย่าแต่ก็อยู่์อย่าเอาแต่ความสุขของเราคนเดียวคิดถึงความทุกข์ของคนอื่นบ้างเจ้าค่ะพ่อเมตตาค้ำจุนโลกะเจ้าหัดกันช่วยกันวันนี้เราช่วยเขาผู้นี้อาจจะเดือดร้อนเขาอาจจะกลับมาช่วยเราก็ได้ใครมีใครรู้เจ้าค่ะคนนี้เขาก็ปิดทองหลังผ้าเหมือนหลวงตาสอนก็ทุกเขาทํำเขาเขาจะไม่ต้องไปนไม่ต้องไปช่วยเราทําเพื่อใจเราเองคนเดียว เจ้าขงังที่บ้านจะจะติดทองหลังพระไม่ค่อยโปรโมทอะไรบอกใครคคเจ้าขะเ้าะก็ลูกก็ก็ปฏิบัติมันก็ไม่รู้ว่าทุกอย่างมันหลวงพ่อมันใจมันก็คือมันนิ่งมันสงบคือเห็นอะไรก็คือมันว่างเปล่าก็คือรับรู้ทุกอย่างข่าวสารแต่ว่าไม่ได้ไป รู้สึกอะไรคือเห็นเป็นธรรมดาเจ้าค pues ่ะเออถูกต้องอย่าไปมีอารมณ์กับมันอย่าไปมีใจเสียใจกับมันเจ้าค่ะเห็นรับรู้ค่ะเห็นรับรู้แล้วก็โยนน้ำบนใบบัวโยนน้ำบนใบบัวเจ้ค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะใช่ใช่อย่างนั้นนะคะเห็นแต่ว่าเราก็เมตตาทำช่วยตายเท่าที่เราที่เราช่วยเราค่ะไม่ได้ก็เอาไปขายใจนี้ของเราเจ้าค่ะเราก็ เป็นส่วนที่ช่วยช่วยช่วยไปเจ้าค่ะไม่ไม่ไป ไ, ได้เหมือนไม่ได้ดูดายไม่ได้เรามีส่วนที่เราที่เราทําได้เราก็าทำเจ้คาค่ะเจ้าค่ะแล้วก็หลงพ่อเจ้าค่ะแล้วคือคือตอนเนี้มันเห็นอะไรแล้วมันมันเป็นขยะมันมันเหมือนมันเป็นภาระก็เห็นไปก็เฉยๆไปยมันเป็นภา <c oughs> <ไ>ระอย่างก็คือ ท, ที่บ้านก็คือเนี่ยนะเจ้าค่ะเรื่องที่บ้านว่า ฝรั่งเศสอังกฤษก็เลยเอามันไปแล้วอย่าไปแบกมันมันอยู่ไปก็อยู่ไปมันอยู่มันอยู่ก็อยู่ไปมันไม่มันไม่อยู่ก็มันก็ไม่อยู่ไปแล้าไม่ต้องไปหนักอกหนักใจเป็นกับมันเจ้าพ่อลุงเฉยๆก็เมื่อกี้ก็บอกหยดน้ามันเบื่อจ้าขาดพ่อก็มันไม่รู้เจ้าค่ะมันความรู้สึกพอพมาเห็นมันของเราป้ามันหนักอกหนักใจขึ้นมาทีพอมาเห็นของคนอื่นไม่หนักอกหนักใจเพราะไม่ใช่ของเรา เพราะว่ามันเห็นเรามันอยากมันอยากให้เขาแบบอาไปแจกคือคือสําหรับลูกก็แจกหมดเนี้ยแต่ว่ า, ามก็มันมันเป็นไปไม่ได้ก็อย่าไปอยากให้มันทุกไปมันแล้วก็ตอนเนี้ก็คือลูกก็มีแผนจะไปจะไปซื้อบ้านแถวทถวแถวน้าวัดแลวสคะ <laughs> <laughs> เข้าอ่าวัดปฏิวัติเขาบอกอันนี้เมื่ออยู่บอกว่า ไอเเ ป, ป็นเซ็กของบ้านก็ขอแบบว่าเขาก็ไม่แร้จะมีแผนว่าจะซื้อเชียงใหม่รู้ก็บอกว่าถึงซื้อที่นั่นอะ่ะฉันก็ต้องบินมาที่ที่ ท, ที่ที่พัทยาที่วัดการเพราะว่ามันเหมือนใจฉันมันมันอยู่ตรงนั้นอะ่ะเขาก็เลยบอกโอเคลีโอโอเคฉันเพื่อความสุขของแม่เธออะไรเงี้ยเจ้าค่ะเขาก็าก็โอเคก็มีแผนกันเจ้าค่ะค่ะ <Okay>. แล้วเจ้าคาซาทูลงลูกก็บอกว่าแล้วว่าบอกเขาจะทํำไงวะก็เช้าเธอก็ไปเนี่ยเดินตามลูกก็เปิดวิดีโอเดินตามหิวฉันก็หิ้วไม่ได้เยอะนะฉันก็ปวดหลังก็ไม่เป็นไรปวดหลังแล้วก็หยุดแล้วก็ก็ไปฟังทำก็ไม่ใช่แบบเกิดแล้วฉันน่าจะตายไปแล้วเธอก็ไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวอะไรอย่างเงี้ยฉันก็จะบาป mm hmm. เหมือนให้ลีโอ ก, กับฉันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. อืมฉันก็ก็โอเคท่านก็เห็นด้วยนะเจ้าค่ะค่ะหลวงพ่อก <Okay. S 1> เราก็เริ่มวางแผนกันตอนนี้ก็เริ่มดูบ้านดูที่ดินอะไรแถวแถววัดนะเจ้ค่ะอืมอแล้วก็มึงสร้างความูกประสาทกันอีกแั้งไนีไม่แล้วค่ะลูกลูกอะได้แต่เขาอะค่ะลูกก็บอกว่าเนี่ยไม่ต้องไปซื้อใหญ่หรอกเนี่ยเล็กๆนี่นก็เป๋าไปเลยเนี่ยแค่เนี้ยแต่เขา เขาก็คงเป็นคนที่บ้านติดกับใครไม่ได้ก็เดี๋ยวเท่านั้นเลยค่ะจ้าค่ะดูไปก็สิ่งใหญ่จะได้เป็นที่ปฏิบัติธรรมด้วยจ้าคเพื่อนๆมาดีใช่ดีสาธุสะาดุกอย่าเร็จเจ้าค่ะหลวงพ่อมีธาตุขันแข็งแรงจ้าลูกไม่ได้เข้าแต่ว่าลูกฟังด้านนอกแล้วก็คือเหมือนกันดีเหมือนกันเขาก็ฟังทำหลวงพ่อแล้วก็ก็ฟังตลอดจ้าไม่ได้ไปไหนเพราะว่าใจมัน มันมันลงไปร้อยมันอยู่ที่ใจหมดแล้วเจ้าค่ะเพียงสมมอโอเสาธุสาธุทูกรา eger, กราขอพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงที่สุดกราบเจ้าค่ะขอหลวงพ่อพิทักษ์คันแข็ ง, ขงแงรงเจ้าค่ะอนาุตานตตาสถูุสาธุเจ้าค่ะโอเคคุณหมอคุห ม, หมัฐวุรับกักอาจารย์มีเวลาว่าง อ๋อครับใช่ครับอันนี้ได้เข้ามาก่อนๆพระอาิตก่อนพอดีแล้วก็ก็เข้าฟังทาง youtube ครับอัอนี้ภรรยาไปปฏิบัติธรรมก็เลยสลับดูแลลูกมันครับอัอนี้ครับครัรยาก็สนใจปฏิบัติธรรเหมือนกันนะเขาเขาจริงๆไม่ได้สนใจครับเขาชอบทําบุญะอืแต่ว่าตอนหลังก็เห็นชนชนๆพนังสมาธิอะไรก็เลยไปเข้าคอร์สมาสิบวันครับก็ดีครับก็เลยดีใจไปเรียนไปเรียนก่อน ใช่ครับใช่ครับเราไปอยู่สิบวันแตอนแรกก็นยกว่าทําไม่ได้แต่เนาะกลับมาเขาก็ชอบอยู่ครับอืมก็รู้สึกว่าได้จะดีครับเพราะว่าได้ทำบ้านให้เป็นสบายอย่างมีคนช่วยรูปเดินทางไปด้วยครับนะฮะครับอ่ะมีอะไรไหมบ้าก็ก็ไม่มีอะไรครับก็ก็เข้ามาฟังได้ได้ได้กันต่อครับไปรับปฏิบัติเรากคงต้องพยายามจัดตารางจัดเวลาใช่ไหมครับใช่แล้วก็มีเพื่อนปฏิบัติกคนหนึ่งครับอื ถ้าไม่จัดเวลาเดียวมันก็มันก็มีข้ออ้างมีเรื่องเอ็นดึงได้ครับนะครัอัไหนจัดเวลาเราก็ต้องมีเราก็บอกเอามีมีธุวะเรามีอะไรของเราอกไรทีมันยังระบายก็เราก็ปฏิเสธได้ครับนฮะกันถึงพยายาเดี๋ยวไว้ลูกสาวค่อยๆของค่อยๆเอ็นดึงค่อยๆมาเรื่อยๆครับนะครับทีละนิดทีละหน่อยครับนะฮะครับก็มีหมอช่วงครับก็มีหมอ สามีปรญยาเป็นหมอที่ศิริกิตเนี่ยเขาก็มีลูกเขาก็ครอบครัวเขาก็เข้าวัดเป็นประจําจ้าที่นิสัยบาใช่ครับครับครันที่สาราั้งแต่เป็นเด็กครับห็นน้องๆั้งแต่เด็กแล้วครับใช่ครับนนี้คนโตก็ตอนนี้ก็ปีสองสี่ล้ชมใช่ครับใช่ครับอะาลรับอ่าเอน้องหยุดทันช่วงไปปวดตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่ไปปฏิบัติแล้วดูครอบครัวนี้ก็น่ารักดีครับครอบครว่ามันก็ติดเป็นนิสัย ครับฮะใช่ครับใช่ครับบคที่ตอนช่วงที่ชวนช่วยไปใส่บาตรชวยไปทําบุญทั้งครอบครัวครับครับครับฮะใช่ครับก็ดีใจครับก็มีเพื่อนมดูพระนิคนแต่พระเลียก็ชอบเขาที่ทาบุญชอบนี่นี่เยอะแยะละครับแต่ว่าปกติจะไม่นั่งสมาธิอันนี้ก็เออเขาก็มีสนใจเข้ามานั่งอะไรแต่ว่าก็จะลําบากมากไม่ได้ต้องสบายๆนิดนึงแต่ว่าก็การงานก็ยังดีกว่าทำาะไรยังไงนะ ครับครับใช่ครับครับผมโอเคได้ครับครับตอนนี้กอนนะเวลาใกจะหมดแล้วอ่าไปได้คนปู้ยคนสุดท้ายปู้ยให้สองนาทีการพระราชการค่ะพระอาจารย์ไม่มีอะไรั้ยยอมปุ้ยรายงานตัวค่ะไม่มีอะไรค่ะปฏิบัติเหมือนเดิมอืมอืมแต่ว่าดูข่าว ใช่ดูเข่าสงครามแต่ว่าก็ปฏิบัติเหมือนเดิมและปฏิบัติมากขึ้นค่ะก็ใจยังสงบอยู่ยังไม่มีปัญหาเยอะแยะมากมายก็พยายามที่จะเข้าให้ถึงธรรมมากที่สุดนะคะเพราะว่ามันเข้าพรรษาแล้วเราตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วเราคือโยมแบ่งแยกถูกอะอาจารย์เวลาเราน้อยลองเข้าไปทุก ว, วันนะมันไม่ว่าขึ้นนะ ช่วยเราสร้นลงไปเลยเลยนะโยมต้องใช้สมาธิในการรักษาโรคภัยของตัวโยมด้วยแล้วก็โยมส่งบุญไปช่วยอีกอย่างหนึ่งคือโยมดูแต่ว่าเอจิตหนึ่งคือโยมจะแบ่งเวลาว่านี่คือเวลาดูแต่พอเวลาปฏิบัติคือปฏิบัติค่ะโยมเวลาโยมเดินออกไปข้างนอกโยมจะมีตัวนับ โยมจะท่องชินบัญชรบทยอ่อโยมจะท่องให้เกินวันละส0งร้อยหรือสามร้อยจบค่ะเพราะว่าเงินแอปโฟราเดินโยมเข้ามาในบ้านจิตมันจะนิ่งแล้วโยมจะทำสมาธิได้ดีขึ้นนะคะพอาจารย์เป็นการฝึกสติใช่ค่ะโอเคจะมาเออจะมารายงานพระอาจารย์จะมากราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่สั่งสอนโยม เ อ, อโยมจําได้ว่าพระอาจารย์บอกให้โยมอะรู้จักคําว่าเมตตาในครั้งแรกเมื่อห้าปีที่แล้วจทีนี้โยมก็ให้เมตตากับคนที่ว่ามันทําลายโยมทีนี้พอดีว่าเ อ, อโยมไม่รู้ว่าโยมทําถูกหรือเปล่าเพราะว่าในเมื่อเขาเสียชีวิตแล้วโยมให้ความเมตตาโยมออโอโหสีกรรมอ่ะเออให้เขาไม่ได้นะต้องมันสายไปซแล้วต้องทําตอนที่ก็ไม่ชีวิตอยู่นะใช่แล้วทีนี้ คือโยมโยมช่วยเขาโดยที่เอาเอาดกไม้ไปให้เขานี่จะได้บุญไหมฮะพระอาจารย์ก็เขาไม่ต้องการแล้วดอกมงคลไว้เขาต้องการบุญนะทำบุญอุญทิศไปให้เขาเลใช่โยมก็อุทิศนะคะโยมอุทิศให้กันนะค่ะค่ะท้าพระอาจารย์โอเคท้าท์ ข, ขันแข็งแรงเจ้าคะ่ะพระ อ, อาจารย์ขอพลังหน่อยสิโยมอยากจะอยากจะมีสติมากกว่านี้ในการสร้างบุญสร้างบารมีอะ่ะ กเนี่ยชินบรรชอนสวดไปทั้งวันสวดไปเรื่อยๆใช่ค่ะอาจารย์ขอให้โยมไม่กระทำบาปใดๆ น, นะคะก็ต้องรักษาศีลได้มั่นองโยมราคาศีลศีลแปดเหมือนเดิมคะ่ะเพิ่มเติมตอนคืนคะ่ะอี่ทํารักษาศีลได้ก็ไม่ไม่ทำบาปได้ใช่เพราะโยมไม่หิวยโยมถือมาตั้งนานแล้วคะ่ะโอเ ค, ค ขอให้ประสบความสำเร็จตามปรารถนาทุกประการนะค่ะขอให้พระอาจารย์ทาดานแข็งแรงเจ้าค่ะยงขอถวายคเจ้าค่ะสาธุสาธุไปที่คุณมงาต่อคุณมามีคำถามไหมกราบนมัสการกัปตันใจมีทั้งหมดห้าคำถามจาทางเ c e b o o k ในยู u ูบเช้าคะกราบในมัสการพระอาจารย์ครับถ้าเราสามารถดูจิตได้ เราควรดูและกำหนดให้จิตนิ่งว่างหรือให้ดูจิตแล้วรู้อารมณ์ของจิตและลกวางอารมณ์นั้นขอพระอาจารย์ช่วยชีย้แนะครับก็เหมือนกันนะดูให้จิตนิ่งสงบให้ว่างไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับอะไรคำ ถ, ถามต่อไปถึงจะมีสติกิเลสก็ไม่ดับกิเลสจะดับต้องใช้ปัญญาผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ มีสติก็กิเลสก็ก็พักตัวชั่วข่าวแต่ไม่เาไม่ท้าวนพอเวลาใดเพอสติกิเลสมันก็จะโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าใช้ปัญญาแล้วพอปัญญากําจัด ก, กิเลสแล้วมันก็จะไม่กลับฟื้นขึ้นมาอีกคำถามต่อไปขณะที่นอนหลับจิตไม่หลับใช่ไหมครับจิตในขณะที่นอนหลับและขณะที่ตื่นต่างกันอย่างไรครับจิตแล้วก็ตอนที่ไม่มีสติ ก็ถือว่าจิตดับถ้าจิตมีสติจิตก็ตื่นสองคำถามตอบไปจากคุณสุพรรณน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะการนั่งกับเดินจำเป็นจะให้เวลาเท่าเท่ากันไหมเจ้าคะไม่สำคัญหรอกแล้วแต่เราเราเราเดินมากก็ได้นั่งมากก็ได้แล้วแต่เราแต่ก็สำคัญต้องมีสติทั้งทั้งเวลาเดินทั้งเวลานั่ง ถามสุดทาให้เปรตมาร้องไห้ที่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิตอนอยู่ถ้ำเราควรแผ่เมตตาให้เขาใช่ไหมเจ้าคะต้องถามเขาก่อนเขาเป็นเปรตหรือเปล่าอยู่ดีแล้วไม่ว่าเขาเป็นเปรตนะเขาบอกถ้าเกิดเไม่เป็นเปรตจะทํายังไงคุยก้อเขาก่อนนะอยู่ดีจะไปตู่เขาว่าคุณเป็นเปรตคุณอยู่ยุทธนางเขาเป็นเปรตนะ ต้องคุยกันก่อนถึงจะรู้เรื่องคนที่เขาเห็นดวงวิญญาณนี้ก็ต้องคุยกันได้อย่างเป็นแม่ชีแก้วเนี่ย mm hmm. เวลาเธอนนั่งสมาธิท่ววานก็จะมีดวงวิญญาณของสัตว์ที่ตายไปบ้างของคนที่ตายไปบ้างมาพบปะมาสนทนามาเล่าเรื่องให้ฟังไม่ใช่อยู่ดีๆเดิดยนยงโกเห็นอะไรวับขึ้นมาว่าเป็นเปลกแล้วนะต้องต้องพิสูจนก่อนว่าเป็นอะไรกันแน่ mm hmm. เป็น mm hmm. เขาเรียกว่า ผีจริงไม่หลอกพีหลอกไม่จริงมั้งถ้าถ้าเป็นผีจริงจรงเขาไม่มาหลอกเราหลอกไอ้ที่มันมาหลอกเรนผีไม่จริงผีที่ใจละปรุงแต่งขึ้นมาเองอุปทานโอเคนะคําถามหมดแล้วใช่ไหมคุณทำเวลาเจอกันโอเคเวลาก็หมดพอดีสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ ก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ